ในชีวิตของเรานะครับผมใช้คำว่า the gracious e gracious Lord Jesus Christ ก็คือว่าเป็นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยที่งพระคุณนะครับ3ามคืนนี้นะครับเราจะพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นผู้ที่ส่งพระคุณในชีวิตของพวกเรา มี3มหลักนะครับในการที่เราเรียนศึกษาขอ้อมูลก็คือว่า1นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงนี่หมายถึงเข้าถึงความจริงนะครับ2เนี่ยเราต้องซาบซึ้งซาบซึ้งหมายความแอปพรีเชียร์แอปพรีเนี่หมายความว่าเราจะต้องเมื่อเราเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยเรารู้ว่าพระเยซูพระเจ้าทําอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะขอบคุณพระเจ้าซาบซึ้งมากเลยอันนี้เป็นเรื่องของความคิดก่อนนะแล้วก็อารมณ์ เมืนะ่อวานนี้ผมเทศ น, นาเรื่อง อ, อย่าแล้วแตอารมณ์นะบางคนเนี่ยเอาอารมณ์มาก่อนแต่เราต้องเอาสัจธรรมความจริงมาก่อนเมื่อเรารู้จักพระพุเจ้าจริงๆเข้าถึงพระองค์จริงๆเนี่ยเราจะมี a อฟเฟอร์เรชัก็คือความทราบซึ้งครับเราจะมีทัศนคติที่ดีดต่อพระเจ้าและต่อตัวเราและต่อสิ่งต่างๆในล้อมที่ถูกต้องด้วยและในที่สุดก็คือว่าเมื่อเข้าถึง ทราบซึ้งนะครับแล้วก็ต้องปรนนธาตัวปรณาตัวหรือต้องผูกพันต้นือผูกพันต้นนะครับพันตนเรื่องนี้เป็นเรื่อง3มเรื่องที่สําคัญเวลาที่เรียนพระธรรมีไม่ว่าเราจะอยู่ในชั้นเรียนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเข้าถึงความจริงนะครับต้องให้เกิดความทราบซึ้งและต้องปรณาตัวหรือการผูกพันตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย เราเชิญอาจารย์พอส m i ทธ์นะอาจารย์พ s สมิทธ์เนี่ยเชิญตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนที่ระวังแผนอยู่นะแล้วก็อาจารย์พ s สมิทธ์เนี่ยท่านก็เขียนเป็นฉบับภาษาอังกฤษมาอาจารย์กรนุษท่านก็แปลนะครับและผมก็มาสอนเพราะว่าอาจารย์พอเนี่ก็ท่านเองท่านก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านดีขึ้นนะครับแต่ว่าท่านก็ยังไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สอนแทนนะ เพราะว่าแมสเซจของอาจารย์พอเนี่ยถือว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยยังไม่เคยมีบทในสอนแบบนี้และมีแมสเซจแบบมี้คอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับมันเหมือนกับไปเรียนท่ะธทรีในโรงเรียนพระธรรีระดับปินยาโฟปีนญาเฮนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นบอกให้พี่น้องเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของเอกสารฉบับนี้นะครับวันที่1วันที่2องท่านอาจารย์พอสมิทธ์นะครับเขียนไว้ถึงวันที่ แค่วันที่2นะครับแล้วท่านก็ไม่สามารถเขียนได้ต่อนะครับก็เราได้แค่สองวันตัวเองส่วนวันที่3นี้ผมก็ได้นํามานะครับสรุปความมาจากหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ24ชั่วโมงสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์นะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงในวันที่3นะครับก็ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครั้งหนึ่งนะครับพระจากพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ท้าพึ่งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักมั่นคงของพระองค์ สำหรับพระโลหิตขององค์พระเยซูิตที่ได้หลั่งไหลบนไม้กันเขนทําให้ขทั้งหลายได้รับความรอดได้รัการช่วยกู้ได้เกิดการคืนดีกันและได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมขอพระเจ้าที่ทรงโปรดบนพระพรข้าพมังทั้งหลายและโวยพระให้กจอนชนะของพระองค์นั้นเป็นพรสำหรับาพเจ้าทั้งหลายเพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะเกิดความซาบซึ้งเพื่อที่ทั้งหลายจะเกิดการปรนนตัวภูพันตนกับพระองค์กับภารกิจของพระองค์และกับชีวิตที่ทั้งหลายจะดำเนินต่อไปในภายภาคหน้า ขอเปิมยันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะคเคลื่อนไหวข้างการฆทั้งหลายในการให้เกิดความเข้าใจเพื่อทุกท่านในที่นี้จะไม่มีสักท่านเดียวที่พระองค์จะทรงกดปล่ปอยแต่ได้รับการทรงนำที่มาจากพระองค์ทั้งสิน้นขอพระเจ้าได้โวรพระพรพรองค์ทั้งหลายให้ทั้งหลายได้เข้าใจความจริงโดยอิสรภาพทางผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กราบทูนติธรรในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเวน การแปลนะครับของอาจารย์วโรดูเนียเป็นการแปลที่ตรงตามตัวอักษรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยถ้าอาจจะอ่านยากทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้สำนวนไทยนะครับแต่ใช้เป็นสำนวนแปลตามรูปแบบบริบทของภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มี้ในวันที่1นะครับอยู่ในหน้าที่หนึ่งของเอกสารของเรานะครับในวันที่หนึ่งนี้อาจารย์พอท่านได้ให้เห็นถึงความสําคัญ ของโลหิตนะครับเห็นในความสําคัญของโลหิตของเครื่องถวายบูชาเครื่องถวายบูชาเนี่ยมีหลายอย่างนะครับมีเครื่องถวายบูช า, ชา properly. ทันญะบูชาเครื่องบูชาไถ่บากผมขอเนี่ยขอ น, าน้าอีกแต่เครื่องบูชาที่สําคัญที่สุดนะครับคือเครื่องบูชาที่มีเลือดมีโลหิตนะแต่เครื่องบูชาที่มีเลือดมีโลหิตเนี่ยนําไปถึงการไถ่าบาปความรอดชีวิตนิรันดร์ของเรา นะครับในวันนี้เราเรียนเฉพาะโลหิตล้วนนะครับตั้งแต่ภาคอัเดิมนะจนถึงภาคผีใหม่ตั้งแต่ผลเมื่อการจิตผิววอร์ด น, นะครับ <c oughs> ผมอยากให้พี่น้องได้ทาความเข้าใจนะครับในโครงเขาโครงพื้นฐานหรือวัตถุประสงค์ในวันนี้อยู่สามข้อดีวกันผมจะให้เวลาพี่น้องได้อ่านนะครับเขาโครงพื้นฐานอยู่สามข้อมีใครช่วยอ่านได้ไหมครับ ความจริงก็ไมโยนีว no ่างอยู่ครับอารทันทีย์ควงมาช่วยอ่านได้ไหมขอบคุณมากครับเ้าโคงนะครับหนึ่งคำสอนเกี่ยวกับโลหิตสองวัตถุปสง์ของพโลหิตสามโลหิตทำให้เกิดอะไรนะฮะเชิญครับเชิญกันสองคำเขาโคงเข้าโคงเ้าโงคืออ ข้อคสอนเกี่ยวกับโลหิตของเครื่องถวายบูชาในคัมภีรวันที่ 1. ภูมิหลังพื้นฐานของโลหิตใน OT และการจัดหาที่มีวัตถุประสงค์ของโรหิตภาพทั่วไปพื้นฐานของสิ่งที่โลหิตของพเยซูจัดหาให้สําหรับผลงานและการจัดหาที่เป็นผู้ประทับของโรหิตของพระสามสิ่งที่โลหิตของบรรดารูปของพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่เยซูทรงครับขอบคุณครับอาจารย์ผมนั่งอยู่แถวนี้เลยนะขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับวัตถุประสงค์ของการ มีทั้งสาวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของคําสอนของโลหิตโลหิตนี้ไม่มีพางว่าพราะโลหิตนะครับโลหิตเฉยๆซึ่งรวมความถึงพระโลหิตในสมัยที่พระเยซูเสด็จมาอันที่สองก็คือวัตถุประสงค์ของพระโลหิตพระเยซูหมายความว่าเป็นภาพทั่วไปพื้นฐานที่สิ่งที่พรโลหิตจะหาให้จะนัยก็คือทําให้เกิด น, นะครับอันที่สามครับการจัดหาที่เป็นผู้กระทําของพระโลหิตหมายความว่าพระโลหิต ของพระเยซูนะครับทําให้เกิดอะไรในชีวิตของเราถ้าเราตอบคำถามสามคําถามนี้ได้พวกนี้นะหมายความว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พรวางไว้เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้นะครับาผมถามก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหานะครับโลหิตในคาร์โดแทกอไกนะครับคําสอนเกี่ยวกับโลหิตในเครื่องบูชาในพรธีนะมีอะไรบ้างลองลองเราลองเราลองนึกดูนะครับโลหิต ในโลหิตของเครื่องถวายบูชามีความสําคัญอย่างไงครับ <c oughs> เกิดอะไรครับโลหิตของเครื่องบูชาในาิธีมีความสําคัญอย่างไงใช้ทําอะไรครับใช้เลยนะใช้ใช้ใสชำระความบาปของใครฮนะบาปของผู้ถวา ย, ยางไงฮนะโอเคอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักอันที่สองครับ วัตถุประสงคของพระโลหิตพระเยซูมีไว้เพื่ออะไรครับพระพระโลหิตพระเยซูทําให้เกิดอะไรครับการไถ่บาปอันแรกคือชําระบาปอันที่สองคือการไถ่บาปอันที่สามครับพระโลหิตของพระเยซูทําให้เกิดอะไรในชีวิตของเราเกิดเกิดอะไรนะเกิดการคืนดีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเมื่อีมีคนพูดว่าความรอด คารอบนะเราเห็นเาเรียกว่า progression คือการพัฒนานะครับของคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องเลือดนะครับโอเคครับถ้าใครมีภากัมพีนะครับผมอยากจะให้นี่น้องได้เปิดนะครับในภาคกัมทีประถมการนะที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าอาจารย์พอเนี่ยท่านรวบรวบมตั้งแต่ประถมการจนถึง ว, วิวอเลยนะฮะวันนี้เราจะเรียนประถมการถึงวิวอเกี่ยวกับเรื่องของโลจิตนะครับ ประธมการในบทที่3ครับพระธมการบทที่3นะครับพูดถึงเรื่องของของความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์คู่เหลก น, นะครับและพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่พระเจ้าได้สาบแช่งแผ่นดินนะครับพระเจ้าบอกว่าลงโทษจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นยังไงบ้าง นะครับในข้อที่สิบสิบสี่ครับนะฮะลองอ่านดูนะครับเจอในการพงทัศประธมงการบทที่สามข้อที่สิบสี่นะครั บ, รบาเจ้าจึงกลัดแต่งูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสัตว์แช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าที่พงจะต้องเลอยไปด้วยท้องจะต้องกินของเพดินชนตลาดชีพสิบห้าไปถึงข้อที่สิบเก้าครับ เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นสัตรูกันทั้งภูม์พันธ์ของเจ้าและภูมิพันธ์ของเขาด้วยภงมิพันธ์ของหญิงจะทําให้หัวงเจ้าแหลและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาโกชั้ำรงมจิตัดแจงหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายเมื่เจ้ามีพันและทอดบุดถึงขนาดนั้นเจ้ายังปรารนาสาวและเขาจะปกป้องตัวเจ้าร่มจิตจัดแจาดัมว่า เพราะเหุ้เจาเ้าเชื่อฟังมคำพูดของภรรยากินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาดพรวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินแค่ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของพุ่นมนาเจ้าจะต้องหากิน ด, ด้วยเหมือหน้าเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นครีดินจะต้องกลายเป็นขีดินพอยี่สิบนะครับชายนั้นเนรียกทัญญาของตอนว่าเอวาก็นางเป็นมารดานของปวงตน ท, ที่มีชีวิตพระเจ้าทรงทําเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปกเป็ดกายพี่น้องอ่านไปแล้วเห็นเลือดไหมเห็นเลือนี้ยอยู่ข้อไหนครับพอยี่สิเอ็ดเลือดนี้เกิดตอนไหนครับพระเจ้าฆ่าสัตว์ ทำเชื้อก่อนที่ท <pel> <waukee> er ําเชื้อต้องฆ่าก่อนใช่ไหมครับเป็นเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นพุกเนี่ยเลือดมีการไหลออกมานะครับเลือดไหลออกมาก็ทําให้เกิดการยกปากเพราะฉะนั้นเราจะเจออาดามบนสวรรค์ไหมครับเจอไหมครับเจอเนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาแก้การยกปากเหมือนกับพวกเราแก้การยกปาก ตอนนั้นพระเจ้าทำให้ตอนเราพระเยซูทำให้โอเคนะครับนะโอเคครับทีนี้เรามาดูในหน้าที่หนึ่งที่บทนำนะครับเมื่อเราพูดทั่วไปเกี่ยวกับงานฝันวิญญายิ่งใหญ่ของพระเราหิตของพระเยซูในภาษาังกฤษใช้คำว่า salvation ก็คือความรอดนะครับ salvation น, นี้เขารวมถึงทุกสิ่งนะครับสิ่งทั้งปวงที่พระเยซูทรงกระทา เพื่อคนบาปครับพระเยซูทรงกระทําทุกอย่างเพื่อคนบาปให้ได้รับความรอดโดยการทนทุกข์และการวาตรชนของพระเยซูการเป็นอยู่ความตายของพระเยซูและกลับคืนสู่พระเจ้าพระบิดาของตรงและรวมถึงอะไรรวมถึงการที่พระเยซูจะเสร็จสมัยครั้งหนึยครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทําเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอดอันที่หนึ่งคือ salvation อันที่2คือการทรงไถย การท่อไถ่ไที่จารยเชื่อว่า redemption redeem Rede ก็คือไถ่ออกมาการท่องไถ่ที่มุ่งเน้นเฉพาะการสิ้นพระชนของพระองค์และมุ่งเน้นการที่ต้องเสียโลหิตลัางโลหิออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถความรอดถ้าพูดถความรอดนะต้องจาไว้ น, นะครับว่าตั้งแต่พระเยซูทํทากู้อย่างเลยอันนี้นนทําเพื่อความรอดของเราแต่ถ้าพูดถึงการไถ่การไถ่บาปเนี่ยเน้นที่ไหนครับเน้นที่ไหนครับความตาย ความตายของพระเยซูก็คือการหลังพระฤุิีของพระองค์ออกมาเนนสามสองคำนี้นะครับบางครั้งเราใช้เนี่ยก็ความหมายใกล้เคียงกันแต่มันมันต่างกันนะครับต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าเราใช้คำว่าทรงถ่าูปเนี่ยเ น, น้นเฉพาะการซิ่งพระชนของพระองค์นะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงความรอดก็คือทุกอย่างในที่พระองค์ทำตั้งแต่อะไรนะสร้างโลก นะองบังเกิดในโลกนี้องทรงสรรซ้อนตูกอย่างนะครับความรอดที่พระเจ้าให้กับเรานะครับเอาละครับพระเยซูทรงใจในฐานะตัวแทนเพียงผู้เดียวของคนบาปทั้งปวงเพื่อปลดปล่อยคนปวงที่เชื่อและวางใจพระองค์จากชีวิตและเงื่อนไขและโทษของความบาปสิ่งนี้รวมถึงการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูองค์พระบุนเจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นการส่วนตัว หรือเราเรียกพระเยซูว่าเป็นพระผู้ไถยนั่นหมายความว่าเราเชื่อถือและศรัทธาในการสิ้นพระชนของพระองค์และผลผลการสิ้นพระชนของพรงะองค์นั้นทำให้เราทหลายได้รับการช่วยตู้เพราะฉะนั้นการไถ่ทําให้เราทั้งหลายได้รับความรอดนะมีความเชื่อมโยงอย่งแนนะ่การไถ่ก็คือการสิ้นพระชนของเยซูทําให้เราผู้ที่เชื่อได้รับความรอดนะครับทีนี้ในย่อหน้าต่อไปนะครับ 9ของความเชื่อความศรัทธาท่านเขียนใช้่า The Leaf of Faith นะครับเป็นเพียงการเริ่มต้นเดียวท่านขีดเส้นไว้ด้วยนะการเริ่มต้นเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเริ่มต้นชีวิตฝ่ยายญาณของลูกของพระเจ้าที่เรียกว่าการกลับใจใหม่และขีดเส้นไว้ว่าฝ่ายวิญญาด้วยครับการกลับใจใหม่ฝ่ายวิญญาเนี่ยสคัญนะ พี่น้องลองลองพูดกันได้ไหมครับว่าคุยกันได้ไหมครับว่าการกลับใจเนี่ยมีความหมายว่าไี้ครับความจริงปกติเนี่ยเราเรียกว่าคนที่เขาเชื่อพระเจ้านะนะคนที่มาเชื่อพระเจ้าจากเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนจากไม่เป็นคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาเรียกว่ารับเชื่อนะคุณรับเชื่อยังเนี่การรับเชื่อตรงนี้เป็นคําสั้นๆแต่ว่ามันรวมความที่กว้างมากเลยทีเดียวนะครับ ก็คือเขากลับใจใหม่และรับเชื่อในอพงค์พระเยซูเพราะงี้เราองอธิษฐานเราเรต้อ ง, งอธิบายว่าการกลับใจนี่หมายถึงอะไรการกลับใจใหม่ถึงอะไรครับอันนี้เริ่มจากเบสิกเลยนะการกลับใจสามนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปสารภาพบาปแล้วก็รับเชื่อรับเชื่อคือทูลขอการไพยก่อนสารภาพบาปคุณขอการไพรอันนี้อันนี้3ามคือ รับเชื่อคือเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและที่สี่คือการตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดชีวิต4อย่างนี้ครับคือการรับเชื่อแล้วนี่ครับถ้าเกิดเขากลับใจใหม่รับเชื่อใยวิญญาณหนะมายถึงว่าใจปากกับใจเขาตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการบังเกิดใหม่นะอันนีเน้เป็นการปรับพื้นฐานเบสิคเนี่ยเบสิคถ้าพี่น้อง ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะขอยกมือผมพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งเห็นไหครับมีไหมครับใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะอันนี้คือเบสิกที่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่า น, นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่เมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่พวกเนี่ยเราจะนำํำลักเชื่อเรานําได้ทันทีพ่ออะไรครับอาจารย์พอเนี่ยเดี๋ยวท่านจะบอกว่าจะทำอย่างไรจะมีความทราบซึ้งในเรื่องนี้ได้อย่างไง ตอนนี้เราเข้าถึงเรื่องของการรับเชื่อเรื่องของการบังเกิดใหม่นั้นครับทีนี้เราพี่ไปหน้าที่สองท่านย้อนกลับเข้าไปในขั้นพิเดิมครับค่อยๆไล่มาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆได้มาเรื่อยๆทำให้เราเห็นภาพของโลหิตนะโลหิตในที่นี้นะครับทั้งรขั้นพ์เกา่าเก่าหรือขั้นพิเดิมและขั้นพิใหม่อันที่หนึ่งครับที่น้องรูไหมวันนี้เราต้องเรียน23ข้อเนะียเพราะนั้นมาโลบติดเนี่ยคุมแน่นอนครับวันนี้ นะครับหนึ่งครับพระวจนะที่กระแดงสองพระเจ้านะคับหรือพระกัมพีนะครับพระเจ้าสําแดงพระองค์เองแกะมวลมนุษย์ผ่านพระกัมภีทั้งพันธ์ญาณเดเรื่องนะครับเลื่อนเลือดนะฮโฟกัสของพระกัมภีร์เดิมและใหม่หม่นะครับเก่าและใหม่เนี่ยโฟกัสอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าผู้เขียนแม้ว่าจะเป็นคนประมาณสี่สิบคนนะสี่สิบคนนะครับ แต่ผู้เขียนอยคนเดียวจริงคือใครครับพระเจ้าพระเจ้าดนใจพี่น้องเห็นไหมครับมีคําว่าผู้สําแดงพระองค์บรรทัดที่สามของหัวข้อที่หนึ่งนะครับพระเจ้าวิวาผู้สําแดงพระองค์ผู้สดงพระองค์ตรงนี้นะครับประสานกฤษใช้ว่าอะไรครับคำว่าสำแดงสแดงสดงครับ f e e นะครับมีสอ ง, งนะครับคำแรกคือรีวิวรีวิวแปลว่าทรงสําแดง จากข้างบนลงล่างไม่ใช่จากข้างล่างขึ้นบนนะจากข้างล่างขึ้นบนเขาเรียกมนโนพระเจ้านะ ค, คิดเอาเองสร้างพระเจ้าขึ้นมาเองนะครับคนที่สร้างพระเจ้าขึ้นมาเองเราจะเห็นครับคนที่สร้างพระเจ้าขึ้นมาเองเนี่ยในถิ่นทุรกันดารที่อิสรเอลเดินทางออกมาจากจากอียิปต์นะเขาสร้างพระของเขาขึ้นมาเองก็คือคาโคพระอัวถูกไหมครับนะเขาคิดถึงว่าเออ เขาจะเอาอะไรมาแทนพระเจ้านะ่ก็ไม่รู้สิเพราะว่าเขายังไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆถูกไหมครับในสิ่นโรคนดานเนี่ยเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆสิ่งที่เขาจะคิดขึ้นมาได้ก็คือว่าเขาต้องการที่พึ่งเมื่อมนุษย์ต้องการที่พึ่งเนี่ยเขาก็มาโนโพระเจ้าขนะึ้นมาอืมแล้วฉันจะแล้วฉันจะรู้จักพระเจ้าได้ไงฉานจะมีพระเจ้าได้ไงไว้กราบไม่ไหวเพื่อนีพระเจ้าจะช่วยเขาเห็น ไ, ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดถึงตอนไหนฮะพวกเนี้เกิดในอียิปต์ทั้งนั้น ถูกไหมครับพอเขาอยู่ในอยิปต์นี่เขาเห็นพวกอียิปต์เนี่ยกราบไหว้พระเยอะแย ะ, ยะมากมายทั้งหมดและพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ทําข้าวเขากินก็คือพระโคนะครับพระโคเนี่ยเป็นเป็นพระที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าโคนี่ไว้ไถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดข้าวนี่ครับนะบขาดการเลี้ยงดูคิดถึงอาหารที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์ถามว่าทํำยังไงครับก็สร้างพระโค ข, ขึ้นมากราบไหว้ เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยขอเข้าของานขออะไรกินเห็นไขอควาวรวมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะว่าเขาผิดก็ก็ก็ไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะเขามีความรู้แค่เนี้ยนะแต่สิ่งทําคัญก็คือว่าเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาสีนยัยอะไรเกิดขึ้นครับเขาทําผิดเขาไม่เชื่อโมเสสนะโมเสสว่าให้ท่านหลานเนี่ยรออยู่ที่นี่เราจะขึ้นไปพบกับพระเจ้า พวกเรารอไม่ได้เนี่คือความผิดของเขาเยนะความผิดของเขาเนี่ยนําไปถึงเลยครับการไม่เชื่อฟังนําไปถึงการสร้างพระเทียมเคสขึ้นมาทํานําไปถึงการกราบไหว้บูชานมัสการรูปเท่ากุเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับถ้าเราอ่านบทแรกของอาจารย์พอนะใ น, นที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องคือนี่กลับเนี่ยอ่านรวดเดียวเลยนะพี่น้องจะรู้จะรู้ว่าบาปแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังต้องจําดีนะ บาปแรกเนี่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังและเมื่อไม่เชื่อฟังกุ๊งนะฮะอะไรเกิดขึ้นเขาก็ค่อยๆถอยห่างจากพระเจ้าเรื่อย ๆ, ๆทำบาปที่มากขึ้นใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะครับอย่างจะไม่ดีนะเมื่ออะไรก็ตามเนี่ยที่เราเริ่มไม่เชื่อฟังเนี่ยอย่างรู้ไหครับว่านั่นคือบาปเล็กอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เชื่อฟังแต่มันจะ น, นําไปสู่บาป ใ, ใหญ่ในที่สุดเราจะเห็นว่าอาดามเอวาเนี่ยเริ่มต้นก็คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับ แล้วก็นำบาปเนี่ยลงไปสู่ลูกหลั น, นเขาฆ่ายินที่ถึงขนาดฆ่าน้องชายของตัวเองนะแล้วบาปนั้นก็คือสมบูรณ์แล้วการฆ่านี่นะครับคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะอะไรครับมันเป็นการทำลายชีวิตนครับดงน้นตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าพระเจ้านะครับโดนใจพระเจ้าอินสปายที่2คืออินสปายอันแรกคือเ e เวลเลชันนะครับเลเเชันคือเปิดเผยจากข้างบนลงล่างอินสปคือ กระบวนการที่เกิดพระกัมมีขึ้นมาคือดลใจ i n น p i r e นี่มีทำทที่ซ่อนอยู่ก็คือ spirit นะครับกับอินเอาเอาพระวิญ ญ, ญาณเข้าไปอยู่ข้างในนะครับก็คือคนเขียนพระกัมีเนี่ยประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธินะ์ะเราใช้ศัพพสารในความผิดกันกเจอของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคือ การดลใจของข้อยันสูตรนี้ให้คนคนนั้นเนี่ยเขียนตามที่พระเจ้ากับพรไทัยเดี๋ยวนะครับแผนนี้คือประการแรกอันที่สองครับในพระชนม์ของพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นแผนการและพระประสงค์นีรังที่น่าทึ่งของพระองค์เมื่อพระองค์มีปฏิสัมพันธ์กับพระหัตถกิจที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ทั้งชายและหญิงพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในทุกสิ่งที่พระองค์กระทำเสมอตรงนี้ก็คือว่า มีสองคำนะครับที่นี่ปฏิสัมพันธ์พระเจ้ามีปฏิสัมพันธ์มี relation กับมนุษย์ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ทําลายความเชื่อรับที่ต่างๆว่าพระเจ้าอยู่ส่วนพระเจ้ามนุษย์อยู่ส่วนมนุษย์ฉันจะทําอะไรก็ได้พระเจ้าไม่ได้มายุ่งเกี่ยวไม่ใช่ครับพระเจ้าที่สร้างเราปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์นะครับกับมนุษย์ นะอันที่สองครับอันที่สองก็คือมีพระประสงค์ในทุกสิ่งที่พระองค์กระทำเสมอทำเองไหมครับพี่น้อง <c oughs> ไม่ว่าพระเจ้าทําอะไรแนะพระเจ้าไม่ได้ทํา แ, แบบอะไรครับสุ่มสี่สุ่มห้านะพระเจ้าไม่ได้ทําแบบเหมือนกับพวกเราอะ่ะก็คือทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่พระองค์ทำทุกสิ่งอย่างมีวัตถุประสงค์เสมอ <c oughs> มาถึงตรงนี้ผม จะให้พวกเราได้มีโอกาสตอบสนองเนะี่ยรีสปอนด์นิดหนึ่งในชีวิตของท่านเนี่ยท่านมั่นใจนท่านลองเล่าเหตุการณ์สักเหตุการณ์นึงมีใครยาก็ะเป็นพยานไหมครับว่าเนี่ยที่ชีวิตของผมของฉันมาถึงทุกวันเนี่ยพระเจ้าวางแผนไว้อยู่ในแผนการของพระเจ้ามีไหมครับเ็นครับมีไหมครับเดี๋เลยครับ ไม่ต้องไม่ต้องอายครับพี่น้องตอนนี้ไม่มีผู้ใหญ่เลยผู้ปกครองมาครั้งเดียวครับไม่ีผู้ใหญ่ครับพวกเราอ่ทนกู่คนหมดเชิญครับแปรงครับเชิญครับเกิดนะครับตแปรงครับขอเชิญใหม่ด้วยครับอาารย์เชื่อแน่ว่าที่ดีของฉ้นเป็นมาจากตาพระประสงค์ของพระจ้าแต่เด็กแล้วค่ะแต่เกิดมาแล้ว พอเลิบลืมตาพอรู้ความพ่อก็สอนให้ร้องเพลงพอรู้จักเพลงพรเจ้าแต่เด็กๆแล้วแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงโตขึ้นมาหน่อยพิชนารีสมัยนั้นก็เรียกว่าชุเดเลี้ยงเลยคนะ่ะในการร้องเพลงเต็นเตี๋ยโดทุกอย่างไม่ต้องเสียตังค์สิบบาทเดียวจ้าวางแห่งตำหมดหลังจากนั้นพิชนารีจัดให้ไปเรียนมือนอก พ่อแม่ไม่ต้องจ่ายสปาร์เดียวก็ ม, มีตังอยู่แล้วตามเตรี่ ม, มนมาให้ ต, ตังเอ็มพระเจ้าให้เรียนทำสิ่งนี้ที่คือครับขอบคุณมากครับบาลนครับขอขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือชีวิตหนึ่งที่พระเจ้าให้มาและพระเจ้ามีแผนการกับชีวิตของท่านอาเมนนะครับสรนเสริญพระเจ้านะครับทุกๆ ท, ท่านพวกเราทั้งหลายทุกทกคนเนี่ยพระเจ้าให้ชีวิตเรามาและพระองค์ก็มีแผนการที่ดีเลือกประเสริฐกับพวกเรา เหมือนกันเอาเมีไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องดูต่อไปนะครับพอเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้พบเนี่ยพระโลหิตเข้ามาละพระอิทธิเข้ามาตรงไหนครับในโลหิตที่6ข้อยีสมอ่านพร้อมกันนะครับค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นคือโลหิตของเครื่องถวายบูชาเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงจัด ก, การแก้ปัญหาความบาปของประชากร ของพระเจ้าภาพแจ้งของความบาปคือความตายนะการที่กําจัดความบาปองคเนี่ยนะครับให้เกิดชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นของประทานในพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเยซูคิตก็ต้องตายนะในขณะที่เบซูคิตตายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังเลือดหลังพระโลหิตของพระองค์วันนี้คือความสําคัญของพระโลหิตครับนะครับหัวข้อที่สาครับ <c oughs> เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะครับในบทสรรมการบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ด เราครั้งแรกเลยถึงโลหิตของเครื่องถวายบูชานะครับพระเจ้าเอาชีวิตของสัตว์ไปและเอาหนังสัตว์ทำเป็นเครื่องนุ่มผมให้พวกเขานะครับต่อไปครับในขนมปรมการบทที่4นะครับเหมือนกันตอนต้นโลหิตมาลนะโลหิตของใครฟ้องร้องขึ้นจากดินครับโลหิตของอาเบลนะครับที่พี่ชายเขาพาดีนเนี่ยฆ่าอาเบลแล้วโลหิตที่ตกลงถึงดิน แต่เมื่อพระเจ้ามาเช็คบินกับใครพระเจ้าถามเขาว่าน้องของเจ้าไปไหนไอ้บอกว่าไงครับเขาพระเจ้าเป็นคนดูแลน้องหรือนะพระเจ้านี่สุดแล้วก็บอกว่าเจ้าทําอะไรลงไปโลหิตของน้องเจ้าหนี่งฟ้องขึ้นมาจากดินนั่นหมายความว่าเกิดการตายเกิดขึ้นเกิดการฆ่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฆ่าทุกครั้งนะการฆ่าทุกครั้งเนี่ยนะฆ่าอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับ ก็คือต้องเสียเลือดและเกิดชีวิตแต่การฆ่าที่ไม่อยู่ในแผนในการของพระเจ้าเนี่ยนั่นคือการทำลายซึ่งเกิดจากมาเพราะมานั้นมันมีอะไรครับมาเพื่อลักลักขโมยฆ่าฆ่าชีวิตและทำลายชีวิตนะครับฆ่าคนให้ตายเ้ฆ่าร่างกายเราให้ตายทำลายจิตวิญญาณนะครับลักลักอะไรไปลักขโมยพระวจะนะไปนะครับใน อุปมาของพระเยซูพี่น้องจําได้ไหมครับเมื่อคนหวานพื้นเนี่ยหวานเข้าไปนะหวานเข้าไปตกที่ดินนะครับลบมระจิต ก, กินไปพระเยซูอธิบายว่านั่นคืออะไรครับมารซาตา น, นมาขโมยเพระวจนะไปจากคนคนนั้นนะมันมาเพาื่อที่จะลักขโมยพระวจนะออกไปลักขโมยข่าวพระสูตรออกไปครับมันมาที่จะฆ่าร่างกายของเราและทําลายจิตใจของเราใ น, นสุดให้พินาศให้ให้ตกนรกให้ห่างจากพระเจ้า เนี่ยครับคือสิ่งที่มารซาตานมันทำนะครับเรามาดูต่อนะครับโนโอานั่นเป็นรายที่สองอเราเปิดในปฐมกาลที่แปดข้อยี่สิบนะครับขอเชิญจันพงศ์ที่จะช่วยอ่านหน่อยนะครับจันพงศ์ช่วยเป็นะนะทางเครื่องหน่อยครับบทที่แปดข้อยี่สิบนะครับการสร้างแท่นบูชาพระเจ้าและเลีกาา้กงองศ์ในนก ค, ครับผมนะ มีการถวายบูชานั่นคือการเลยครับมีการฆ่าสัตว์มีการฆ่าสัตว์เพื่ออะไรครับเพื่อขอบคุณพระเจ้าและเพื่อเพื่อลบบาปเพื่อกรารสารภาพบาปขอพระเจ้ายกโทษกับนวมาทําตอนไหนครับหลังน้ําท่วมหรือก่อนน้าท่วมครับหลังน้ําท่วมเห็นไหมพอเขาออกจากเรือนะออกจากเรือสิ่งที่เขาทําคือถวายบูชา ขอบคุณพระเจ้าและขอพระองค์ยกโทษนะครับเอาล้วครับนี่คือหัวข้อที่สามนะครับต่อไปครับฮีบรูบทที่11บ็ดข้อสี่ขอเชิญยันพรองค์ทีนึงครับฮีบรูบทที่สิ็ข้อสอันนี้พูดถึงเรื่องของบรรพชนแห่งความเชื่อนะครับและพูดถึงเรื่องของอาเบลการถวายบูชาของอาเบลเนี่ยคือการถวายวิชาอะไรครับเชิญครับ ราอาเวลมีความเชื่อจึงแด้นำเครื่อ ง, งบูชาอันเล่าซึ่งทําให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมถ้าได้ส่งยินยันว่าอาแวลตายไปแล้วท่านมความเชื่อท่านจริงยังคงพูดชีวิตของคนคนนึงงนะตายไปแล้วเนะี่ยยังพูดได้ไม่ได้หมายความว่าเขาลุกขึ้นมาพูดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันตราตรึงหรือมันถูกมันขึ้นไว้หรือมันเป็นคําสอนที่สอนคนรุ่นหลังต่อมาสิ่งที่อาเวลทาคืออะไรครับ เขาเอาเครื่องบูชาซึ่งเป็นอะไรครับเป็นสัตว์สัตว์วะบูชาความจีตรงนี้นะครับบางคนหลอ๋พระเจ้านี่ชอบชอบชอบแบบชอบอะไรฮะชอบเนื้อนะชอบกินเนื้อไม่ชอบกินบังสาวิลังนะซึ่งไม่ใช่ครับการที่พระเจ้าโกรธปาาตรงนี้นะครับถ้าเราอ่านพระพีขอจาังงนทงอัยสักรอบหนึ่งนะพีบูรที่สอ็ก็สี่นะถ้าพี่น้องสังเกตดีดีเหมือนกันเลยครับพระพีบอกว่า พระเจ้าข้าพไทยชีวิตของอาเบลและเครื่องบูชาของเข า, า, ขออา น, นะครับอาจารย์พงศ์ขออ่านดินนะครับพี่น้ำฟังดีนะครั บ, เ, บ เ, เพราะอาเบลมีความเชื่อเห่นไหมเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกับของใครอินมาถวายแต่ถต้องเห็นไเพราะอาเบลเขามีความเชื่อแมายความ่าตัวเขาเนี่ยเชื่อถูกไหมครับตัวเขาเชื่อ เ, เ ช, อชื่อในเรื่องอะไรคิดว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังครับ ก่อนนอนอาดามเอวาคงจะต้องเปิดหนังสือ <c oughs> นิทานก่อนนอนในสมัยนั้นพ่อทําอย่างนี้นะแล้วพระเจ้าเนี่ยก็ทําเสื้อหนังสัตว์ให้พ่อนะัะพ่ อ, อยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้เลยแล้วพ่อก็ต้องพ่อเห็นพระเจ้าเนี่ยฆ่าสัตว์แล้วก็ทําเป็นเสื้อหนังมาให้พ่อนะพี่น้องคิดว่าอาดาคง็ะคุยกับลูกอย่างนี้ไหมครับแน่นอนใช่ไ เพราะฉะนั้นคนนึงมีความเชื่ออีกค น, นไม่มีความเชื่อเขาเดือ้ออีกคนหนึงเชื่อฟังนะถ้ว่าถ้าจะทําอะไรถวายพรนะเจ้านะก็คงจะต้องทําแบบเงี้ยถวายพระองค์เห็นไหมครับนะบาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็โกรธปราณแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีความเชื่อเอาศัตว์วัูชามาถวายพระเจ้าจะโกรธปราไม่ใช่พระเจ้าโกรธปราณคนมากกว่าของนะไหมครั บ, รบนะท่านบอกว่ามีความเชื่อของที่เราถวายเนี่ยพระเจ้าก็โอเค แต่ของเทวไชยที่ดีกว่าที่รี่เพ่อบเป็นของเป็นเครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่าของคายินก็คืออะไรครับล้ำลึกถึงโลหิตล้ำลึกถึงการการที่พระเจ้าทํากับคุณพ่ อ, อเราอาดัมเราเห็นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเวลาที่เราอ่านพระธรมพีบลูเนี่ยเราเห็น Hall อฟเฟรมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคนนี้คนนี้คน น, ค น, น, ค น, นี้ทำอะไรบางอย่างนี่นะบางทีเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราเราลองไปอ่านคําอธิบายนะครับของผู้ที่เขาเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทําไมพระเจ้าถึงพอพระไทยอาเบลและเครื่องบูชาของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้จึงมปเหตุที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเล็งถึงใครเล็งถึงโลหิตโลหิตโลหิตโลหิตรลหิตนะครับ เอาครับต่อไปครับข้อที่สีนี่สําคัญการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่ออัปราธรรมบิดาของชาติอิสราเอลซึ่งเป็นบนรรพบุรุษนะครับหรือเขาเรียกว่าพ่อหมู่พ่อห ม, มู่แห่งความเชื่อพ่อหมู่นี่รู้จักใช่ไหมครับพ่อหมู่ก็คือต้นต่อต้นต่อแห่งความเชื่อนะครับประรมการบทที่ยีสองข้อหนึ่งถึงข้อ19นะครับเราจะไม่อ่านแต่ผมจะเล่าให้ฟังในประรการเนี่ย ไฮไลท์ของขพระธาพมปีธรรมการยอยู่ที่บทที่ยี่สิบสองนะครับบทที่22่บสองนี้พูดถึงเรื่องการที่อับราฮัมเนี่ยวสวารอิสตากเป็นเครื่องมือชาไฮไลท์ตรงนี้ เ, นเล็งถึงพระเยซูและคนที่เป็นพระเยซูคือใครนะครับแกะและใครอีกคนหนึ่งแกะนี่นะมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟรเลยนะกับใครอีกคนหนึ่งครับเอาปนะอิสตกครับ เดี๋ยวพี่น้องดูต่อไปนะครับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันขนาดไหนนะตรงนี้บอกว่าอับราฮัมได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นบิดาและผู้สร้างประชากร น, นะครับของพระเจ้าเป็นเพียงคนเดียวที่พระเจ้าต้องการให้ถวายบุตรและทาญาติของเขาเป็นเครื่องบูชาในนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าต้องการมนุษย์เป็นเครื่องถวายบูชาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พระเจ้าบอกให้ถวายบูชาด้วยคน นั่นหมายความว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาสัตวแทนมาถึงอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าเอาคนแทนและคนคนนั้นคือใครครับคนคนั้นคืออิสัคลูกชายของเขาเท่านต่อนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตายเขาถึงใครครับอิสอัคไม่ได้ตายแต่นี่เป็นเงาล่วงหน้าของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรองเดียวของพระองค์ลูกแก่งการถวายบิชาที่จะต้องไปที่การเขียนประมาณสอง0ันปีต่อมาเพื่อถวายร่างกายมนุษย์ของพระองค์ร่างกายมนุษย์ของพระองค์ก็คือกายเนื้อหนังของพระเยซูนี่นะครับเป็นเครื่องถวายบูชาด้วยบิดสำหรับความบาปทั้งหลายของเจ้าชาติตลอดกาลนะครับตลอดไปเป็นนิรแม้ว่าอิสอักไม่ได้ตายก็ตามแต่เขาตายในสายตางอกธรรมลและในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อเข้าใจความหมายนี้นะครับ อาจารย์พอเนี่ยเขียนลึกซึ้งมากเลยอิสอักเนี่ยตายไปแล้วในสายตาของใคยครับในสายตาของพอ่อเราตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนครับพระเจ้าบอกว่าจงถวายอิสอักลูกชายคนเดียวที่เจ้ามีอยู่นั้นให้กับเราในสายตาของอับราฮัมในอิสอักคือตายแล้วตายแน่ๆพูดพูดเหมือนตายง่ายแก่แล้วแม้ว่าตอนนี้ยังหายใจอยู่นี่พูดได้อยู่นะแต่ ลูกคนเนี้ยตายแน่นอนในสายตายก็ประคำนะครับอิสานตายแน่นอนนะครับอะไรทีนี้บอกว่าเขาตายสายการรัแ บ, บและสายปนเดศของพระเจ้าอือทำยังไงเขาในสายประเทศของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสาั่งเงบอกว่าให้ถวายบูชาถูไหครับถวายบูชาก็คือคุณต้องชดใช้สิ่งที่คุณทํานะเป็นเครื่องบูชาที่จะให้พระเจ้า เขาตายในสายตาของอับราฮัมและตายในสายประเดศของพระเจา้านั่นหมายความว่าอิสอักตายแล้วตรงนี้เรากำลังสอนเรื่องความจริยที่อัศจรรย์เรื่องของการเชื่อฟังพี่น้องจดไว้นะหนึ่งการเชื่อฟังสองการแทน 3. สามการขึ้น 4. สี่การถวาย 5. ห้าพระพรสามห้าอย่างเนี้ซ่อนอยู่ในประโยคเดียวนะครับน้องเห็นไหมครับเขียนตัวเลขไว้เลยนะครับหนึ่งคือการเชื่อฟังสองคือการแทน นะครับสคือการขึ้นจากตายพื้นสี่คือการถวายห้าคือพระพรยิ่งใหญ่ห้าอย่างนะเห็นไหมครับหน้าที่สามครับบรรทัดที่ประมาณ8ครับ1คือการเชื่อฟัง2คือการแทน3คือการขึ้นจากตาย4ี่คือการถวาย5้าคือพระพรยิ่งใหญ่พระมิสุดโปรดคือพระเยซูใช่ไหมครับลูกแกะที่พระเจ้าจัดหาให้คือพระเยซูใช่ไหมครับอ่าอิสซัก อิสอาคือใครครับอิสอาคือใครครับความจริงนี้ลึกซึ้งมากเลยอิสอาคือใครนะ <c oughs> คือเราอิสอาคือเราเราเนี่ยนะตายตายแนละเราตายเพราะอะไรครับควาบาปของเราความบาปของเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก่อนอันนี้พูดถึงเราก่อนที่เชื่อพระเจ้านะก่อ น, นที่เราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราตายแนละ้วถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณไม่มีหวังเลยนะ นะในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณก็ยังตายอยู่นะในสายตาของของของของเพื่อนเสียของของพ่อหมูทั้งหลายเนี่ยเราเราก็ยังตายเพราะตามพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยคือคุณไม่รอดแต่เกิด อ, อะไรขึ้นครับคุณต้องตายแต่นะไม่ใช่คุณนะครับผมด้วยนะเราต้องตายแต่พระเจ้าเตรยมูกแก่ไว้แล้วคือพระเยซู โงตายแทนและเราก็ไม่ต้องตายเหมือนกับ อ, อิสัะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงมีความหมายนะควหมายมากจริงๆเราอา่านบางทีแล้วเราก็ไม่ค่อยได้รู้ว่าเราเป็นอิสัะเนอะแท้จริงเราต้งตายนะอิสัะเรียกคงจะแบบประหารอะไที่ผมเล่าอ น, นี้นอกข้อบาง ท, งทีนะครับคือเขาเขียนเองนะว่าขณะที่อับราฮัมเนี่ยจุงอิสัะขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาถาม พวกเราอะความรู้สึกของพ่อเนี่เป็นยังไงความรู้สึกของพ่อเป็นยัไงครับก้านหนึ่งก็เชื่ออีกก้านหนึ่งก็อะไรก็ออตั้งคําถามเลยกลัวตั้งคาถามแล้วไหวทหแต่ความเชื่อชนะความสงสัยเนี่ยก็ขึ็นจุ่มเข้าไปแต่ในขณะที่ความเชื่อขึ้นนะเวลาความเชื่อตกก็สงสัยไหมครับไหนสงสัยทำให้ความเชื่อตก แต่ก็เดินไปเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ลูกเขาเนี่ยอิสาะเนี่ยถามว่าพ่อพ่อพ่อพ่อพาพวกเราขึ้นไปเน่ยไม้เบิรเตรียมเฟือนฟูนเฟื่อนอะไรทุกที่มีมหมดทุกอย่างเลยแล้วแก่อยู่ที่ไหนแล้วพ่อตอบว่าไงครับพ่อตอบว่าพี่น้องอ่านนี้นะก่อนก่อนหัวข้อที่หกนะครับพี่น้องเห็นหัวข้อที่หกไหมครับถอยขึ้นไปนะครับ คำถามของอิชอขาขณะที่พ่อลูกเดินขึ้นภูเขาโมริยาคืออะไรถามว่าอะไรครับพ่อพ่อพ่อแกะที่จะถวายบูชาอยู่ที่ไหนคําตอบของอับราฮัมบอกลูกเอย๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะเป็นเรื่องบูชาใจของอับราฮัมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าก็คือก็คือลูกคนเดียวของเขาแหละแต่อับราฮัมเนี่ยดูเหมือนว่าพระองค์พระเจ้าเนี่ยโดนใจในบางอย่าง คือไว้ใจพระเจ้าแล้วกันวางใจพระองค์เถิดว้ใจพรงวางใจพระองค์เถิดพระองค์จะชงจะคืนถ้าไหนที่สุดแล้วลูกของเขาจะต้องนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ฆ่าเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยพระเจ้าก็ทดสอบเขาอ่ะพี่น้องสังเกตดูนะพระเจ้าทดสอบเขาเดินไปเดินไปขึ้นเขาขึ้นเขาตอนไหพระเจ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนาะพระเจ้าไม่บอกตอนไหนครับตอนที่เขาเนี่ยบางทีบอกว่าเงื้อมือจะข่าป จะแท้ฮนะพระเจ้า <c oughs> บอกว่าหยุดหยยยดส ต, อสตอ๊อกสอะไรครับมีลูกแก่ยุคนี้โอพระเจ้าที่แบบไอ้พี่น้องครับกลับมาถึงตรงนี้บอกว่าพระเจ้าที่เมื่อกี้นี้อาจารย์จันแรงท่านเป็นพระยาทุกอย่างพระองค์ทําอย่างมีวัตถุประสงค์และอยู่ในแผน ง, งานของพระองค์ทั้งสิ้นเราอ่ะติดตามไม่ถึงเนะี่ยเราไม่เข้าใจ เดินมาเยื่อยเืเดินมาเย่ อ, ยอยทำไมไม่พระองไป่บอกทางต้นทางนะต้นน้ํามาบอกปลายน้ำเลยตอนที่จะวินาดีนั้นอ่ะอัปร ahas นี่เงื้อนี่นะทักดับออกจากฝักนี่เงื้อมีนะอัปร ahas นี่ว่าหมดแล้วล่ะสงสัยจบแล้วล่ะเงื้อมันละล้มละ ล, ล้มพระเจ้าิดผมอ่านแล้วมันเกิดความรู้สึกเนะยผมชอบดูหนังแอคชั่นผมอ่านเจอว่าผมเห็นภาพเลยว่าเนี่ยจะยิงจะยิงจะยิงแล้วพระเจ้ามาห้ามอลูกศรไว้อ่ะ ทางไก่ไม่เหนียวกันก็เห็นทำนี่นะครับเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าได้ได้ให้ชีวิตของอัพรามเนี่ยเป็นตัวอย่างกับพวกเราหลายครั้งเวลาที่เราเดินอยู่ในความอะไรครับในการทดสอบของพระเจ้านะเราเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทาไมเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่จบไม่สิน้นสัทีทำไมมนันยังไม่รู้พระเจ้ายังไม่ตอบสักทีแต่เราไม่รู้หรอกคว่าพระเจ้าจะตอบตรงไหนแต่อัพรามที่พระเจ้าตอบ วินาทีสุดท้ายวินีสุดท้ายเลห็นพี่น้องเราไม่เข้าใจน้ําจพระเจ้าแต่ต้องเชื่อและวางใจ plus and obey อย่าลืมไปให้นะครับไปถามฟังเลย plus and obey ไหมายว่าคือวางใจและเชื่อฝังวางใจเชื่อฟังอับราฮัมเนี่ยท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อของพวกเราเพราะว่าแบบนี้นะครับเอาละครับตรงนี้พี่น้องครับมาถึงถ้าข้อที่ผมพูดนะครับ จากตรงนี้นี่เองครับพระเจ้าได้จัดหาแก่ไอ้เขาแทนที่อิสหักกู้ถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายเห็นไหมครับพวกเราเป็นอิสหักเราเนี่ยรับเชื่อพระเจ้าแค่ไหนครับตอนที่เรารับเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเราเรามีพิธีบัพติศมาเนยผมพูดหลายครั้งเนี่ยพิธีบัพติศมาเนี่ยมีความหมายอะไรครับคือเป็นสัญลักษณ์ของการการอะไรฮะตาย ตายฝังแล้วก็ฟื้นนะครับจำง่ายสามหลักเนี่ยตายฝังฟื้นพวกเราซึ่งในเพศชายเนี่ยเราเราสปริงเกิใช่ไหมเราข่มเนียมันภาพไม่ชัดผมมาจากโบบับบิสเนี่ยภาพชัดตายเลยครับตายคือลงน้ำแบบง่ายเลยเนะฝังก็คือให้จมน้ําให้หมดฟื้นคือลุกขึ้นก็แค่นี้ก็เห็นภาพนะแต่พี่น้องต้องใช้จินตนาการมากเวลาผมสปริงเกินเนี่ยพี่น้องว่า ใช้ยินนาการมานะตายฝังพื้นนะตายฝังพื้นตายเราได้ตายพร้อมกับองค์พระเยซูเราได้หยุดฝังและเราได้เป็นขึ้นเหนความตายนั่นคือชีวิตใหม่ที่บังเกิดใหม่ที่เราเราพูดกันถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นการตายฝั่งพื้นนี่นะครับคือเป็นผลจากความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ความรอกนะครับเรแล้วการสอนเรื่องหนึ่งคือการเชื่อฝังอับราฮัมเชื่อฝังนะครับเชื่อฟังถึงวินาที่สุดท้ายเลย และการเชื่อฟังเขาเนี่ยจึงทําให้เกิดอะไร เ, เกิดรูปแบบหรือเงานะครับของการทรงช่วยให้รอดหรือการไถ่นะครับและเขาเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่พระเจ้าวอวยพรเขาแล้วพระเจ้าวอวยพรให้เขาเนี่ยโอ้มีอะไรครับลูกหลานทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินเหมือนทรายในทะเลเหมือนดวงดาวในท้องฟ้านี่คือสิ่งที่เป็นพระพรนะครับอันนี้อยู่ในข้อที่หพระพรที่หน่อันที่2คือการแทนการแทนนี่เรียก substitution นะครับ หลักการตายแทนนี่นะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอาดัมแล้ครับนะพระเจ้าให้สัตว์ตัวหนึ่งนะครับฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งจริงๆต้องฆ่าสัตว์สองตัวให้อาดัมตัวหนึ่งให้เอวานตัวหนึ่งฆ่าสัตว์เพื่อที่จะให้เลยครับให้เกิดการตายแทนตายแทน s u b s t i t u t i นะครับอันที่สองสามครับการเป็นขึ้นจากความตายทึ่เมี้นี้นะครับนะก็คือ อิจฉาอดได้นะครับนะพวกเราอนะพวกเราตายฝั่งฟืยก็คือเรามีชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับอันที่4คือการถวายแด่พระเจ้าการถวายแด่พระเจ้าคืออะไรครับเครื่องบูชาเนี่ยจะเป็นที่ขอวัตไถยของพระเจ้าการนํามาซึ่งกา ร, าราขอวัตไทยของพระเจ้าคื อ, อการที่พระเจ้าคืนดีกับมนุษย์มนุษย์กับคืนดีกับพระเจ้าเห็นไหมนำมาซึ่งการถวายแด่พระเจ้าและการถวายแล้วต้องบวงเลี้ยงครับ ต้องทำให้พระเจ้าขอพระไทยเท่านั้นถ้าพระเจ้าไม่ขอพระไทยของนั้นถือว่าเป็นการถวายไหมไม่ใช่คายินนี่พระเจ้าไม่ขอพระไทยคายินและของถวายของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขอวราไทยของถวายนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าของถวายอะไรของเราบ้างที่พระเจ้าเห็นประโยชน์เป็นประโยชน์หรือไม่เป็ประโยชน์ครับ พี่น้องลิอายพี่น้องเรียถวายทรัพย์เนี่ยคิดว่าพระเจ้าพอพระไทยไหมไหว้ทุกที่เลยครับหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปหย่อนเข้าไปเนี่ยคิดว่าพระเจ้าพอพระไทยไหมครับพี่น้องตอบตรงๆแน่นอนตอนอ้องพอพระไทยแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่พอพระไทยฉนันจะไปถวายทําไมอ่ะฉันก็ต้องถวายพระเจ้าพอพระไทยีินะครับถามถามในข้อมเีเราคิดถึงใครไหมครับคนถวายสองคน พระเจ้าของประไทยคนนึงไม่ของประเไทยคนหนึ่งเทปีกับหญิงหญิงไมา้ยากจนหญิงไมา้ยากจนเนี่ยก็ถวายแค่ เ, เศษเศษสตังค์แต่พวกฟอรีสีเนี่ยเอาเงินมาเป็นถุงๆเลยนะถ้าเทรู้ไหมครับว่าในพระวิหารเนี่ยไอ้จานรองรับถวายนีย่ไม่ใช่เป็นถุงเนีห ย, ย่อนลงไปเนี่ยไม่รู้นะแต่มันเป็นเป็นถาดทองนะเวลาคุณถวายเนี่ยเวลา เขาเขาเทถุงถวายคนรวยอะ่ะเ่งเหมือนกันเราไปเล่นส ล, อล็อตแมชีนแล้วมันได้ก่งๆๆคนก็หันมาเป็นอย่างจริงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีถวายเขาเทจากถุงใหญ่ๆมาลงเคนก็รู้สศรษฐเขยกย่องให้เกียรติไหยแต่หญิงไม่เนี่ยหญิงม่ยายย่าจนเอาแค่สองอีแปดเนี่ยมาถวายไปยังชูบอกว่าไงครับอะไรที่พระเจ้าอเอาไปไทยครับสองอีแปดเนี่ย อะไรครับอะไรครับสองอีแปรอันนี้เขาเรียกว่าเราพูดภาษาคนรุ่น5้าสิบหกสิบยุคห้าสิบหกสนะครับคนรุ่นเก้าสิบสองพันนี่ไม่รู้หรอกนะสองเหรียญสองสตงางค์นะถามว่าปริมาณทำให้พระเจ้าขอพระไถ่ไหม ที่ขันโหปริมาณเำาห้ประเทศของเราไทยไหมนี่ถูกต้องครับสมมุติว่าถ้าคุณมีทั้งหมดเนี่ยในตัวของคุณเนี่ยทั้งหมดเลยครับสิงห์พันเนี่ย น, นะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าแั่แสนหนึ่งหมายหมดเลยแสนหนึ่งกับคนที่มีเขามีร้อยล้านเขาถาวายหวสองแสนถามว่าปริมาณเนี่ยเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมฮนะ เกี ật, ều, mà, đi, ่ยวดวงไหนครับเชิญเปรียบเทียบก็คือว่าคุณมีแค่นี้แต่คุณถวายเขามีเยอะแยะแต่เขาถวายส่วนเสี้ยวนิดเดียวเนี่ยผมก็พูดกับโบสถ์เดิมของผมเนี่ยบอกว่าพวกเรานะโบสถ์เนี่ยถ้ารวมแรสพย์ของแต่ละคนทุกคนมานะผมว่าต้องมีั้แสนล้านได้มั้งแต่ถ้าเอามาถวายสิบล้เนี่ยแสนล้านเนี่ยมาถวายสิบลคือเท่าไหร่นะ ไม่ต้องถึงแสนล้านก็ได้หลายหมื่นล้านไปแล้วกันนะครับแอดเสตของคนที่โบดเดิมผมเนี่ยมีทั้งหลายหมื่นล้านก็แล้วกันเอามาขอมาแค่สิบเอร์เซ็นมาสร้างโบนะเอาแค่ก็หลายเดียครับจะสร้างสกี่โบดครับใช่ไหมนั่นแหะผมจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องต่างเหล่านี้ครับคือการถวายนนะ เ, าเนี่ยนะแด่พระเจ้านี่อัปปะธรรม เขาถวายทุกอย่างเขาแ่ละเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่มีอิสระนะของทุกอย่างเขาเนี่ยตกกับใครครับซึ่งเป็นคนต้นเรือนเป็นหลวงจูเป็นผู้จัดการของเขาเป็นซีอโอของเขาที่เขาจ้างมาเป็นคนงานคนต้นเรือนคุมทุกอย่างเขาถ้าเขาไม่มีอิสระและโมดุลทุกอย่างจะหายไปหมดเลยการที่เขายอมถวายอิสระเท่ากับการที่เขายอมถวายทุกอย่างในชีวิตของเขาแหะสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและคือผม เขาตายไปเขาไม่มีเหลือลวองค์พัน์เขาไม่ไม่มีละเห็นไหมนี่คือการถวายเนะครับอันนี้ผมจะขอไปที่ที่ห้าในบทสมการแบบที่ยี่บสองครับเราเห็นความสัมพันธ์สามหัวข้อ ห, หลักคือหนึ่งเครื่องบูชาบนขื้นฐานตุนโลหิตและการนำสการที่ถวายเกียรติพระเจ้าเห็นไหครับที่สองการทดแทนหรือการตายแทน (substitution) ในการจัดการของพระเจ้ากับความบัต และการลงโทษผลบาปและอันที่สามเงาล่วงหน้าคําว่าเงาล่วงหน้าใธรรมยากรครับก็คือการเล็งถึงการเล็งถึงคือเงาเนี่มันทอดเข้าไ ป, ท อ, าไปทอดเข้าไปหาใครครับหาพระเยซูและจากพระเยซูตรงนั้นเนี่ยนะครับสะท้อนไปถึงอิสอาก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับอันนี้คืออยู่ในข้อที่ห้าข้อที่หครับคําตอบของอบรารรมที่ถ่อยคาซ้ํากัน เนะี่ยซ้ันว่าพระเจ้าจะทรงหาจากเตรียมนะเครื่องลูกแกะเป็นเครื่องบูชาสําหรับพระองค์นะก็คือหนึ่งครับความจริงสองประการหนึ่งพระเจ้าพระบริดาทรงต้องการบางคนที่จะเป็นเครื่องบูชาด้วยเรือยและคนนั้นคือคนนั้นคือพระเยซูสองคำตอบที่สองคำละรมพระเจ้าพระองค์เองจะทรงจัดหาลูกแกะตรงนี้เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าจะต้องหาคนที่พระองค์ ป, ไ, ปไม่ใช่ใครก็ได้นะมาตายแทนไม่ใช่นะพระเจ้าจัดหาลูกแกะของพระองค์เองใครครับยีสูพระบุตรองเดียวของพระองค์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตายแทนคนทั้งหลายได้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่พระบิดาจะต้องยอมรับว่าเป็นลูกแกะของพระองค์เป็นคนที่พระองค์ทรงเลือกเป็นลูกแกะที่รับการแต่งตั้ง แต่งตั้งสาาภาษาพระวิญญาณคือเจิอครับนะการเจมิมการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือพระเป็นสุบดุกผู้รับการเจิเนไมครับผู้รับการเจิมจากพระเจ้าคือการแต่งตั้งว่าผู้นี้ผู้เดียวถึงจะเป็นคนที่จะตายแทนคนทั้งหลายได้ substitution เกิดอย่างสมบูรณ์นะครับเอาละครับหน้าที่สครับ ทำไมต้องเป็นเครื่องบูชาด้วยเลือดที่จะจัดการกับความบาปครับมาด้าที่2งเนี่ยนะครั บ, บ, รบเราเห็นเลมวิธีบทที่17ข้อที่11นะครับบอกว่าเพราะว่าชีวิตมนุษย์พี่น้องอ่านพรอมกันนะครับเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าหลายเพื่อใช้เป็นแท่นบูชา เพื่อจะลบมวลทินของเจ้าทั้งหลายเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบมวลทินสําหรับชีวิตของคนหนึ่งเลือดคือชีวิตครับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องการแพทย์นะครับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยคือถ้าเลือดถ้าเลือดไม่ดีครบมันก็จะทําลายชีวิตถ้าเซลล์เป็นเลือดขาวนะมันผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นมะเร็งและในที่สุดก็จะเสียชีวิตเลือดพวกนี้นะครับ เวลาที่เราดูดออกจากคนนะครับไปให้นคนนึ่นก็คือให้ชีวิตเห็นไหมครับเนี่ยการชาใช่ไหมครั บ, รรบดูดเลือดดูดเลือดคือการให้ชีวิตต่อชีวิตให้คนนี่ครับคือความหมายของเลือดเพราะฉะนั้น้ักกงพีเดิมถึงข้ามกินเลือดนะครับเพักกมีใหม่ก็้างกินเลือดนะครับในกิจการบทที่สิบห้าเขาคุยกันไปคุยมาเปิดสภาขึ้นจัดครั้งแรกนะครับบอกว่าขอสีอย่าง และหนึ่งในนั้นนะครับก็คือของดเล่นข้ามรับประทานเลือดนะของเราเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะรักษาตรงเนี้นะครับก็ได้นะแต่ว่าข้อมูีใหม่อีกตอนหนึ่งบอกว่าอะไรของทุกอย่างเนี่ยในเวลาอาธิษฐานนะครับสําระหมดแล้วก็กินได้หมดเพราะฉะนั้นหลายคนก็กินนมกินงเนื้อเยี้ยวอย่างสนุสนานนะห้ามสะดุดนะครับคนสะดุดนี่ผิดเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสะดุดนี่เราต้อห้ามกินอืม ก็โทษกันไปโทษกัมาครับอยากคนอยากกินเลือด ก, ก็บอกว่าเนี่ยก็กินได้ทุกอย่างก็อธิฐานแล้วก็ไม่มีมลกินนะ้ะแต่คนที่ยกข้อมันทีกิจการบทที่สิบห้าบอกว่าขออย่างเดียวขอสี่อย่างอย่างในนั้นก็คือห้ามกินเลือดเพราะอะไรครับเพราะให้เก็บเรื่องเลือดแต่เดิมเราอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องเลือดนะเพราะเรื่องที่สําคัญขนาดนี้นะเห็นไหมบางคนไม่เป็นไรเพราะมันอ่อนะโอเคครับต่อไปครับ ในหน้าที่สี่นะครับย่อหน้าต่อไปพระเจ้าทรงบอกอาดมก่อนที่เขาและเอวาก่อนที่เขาจะกระทําบาปว่าฆ่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพวกเขาตายในสายพระเนตรของพระเจ้าบาปคือความตายนะครับหลายตอนในขั้นพีบอกชัดเจนแต่สามข้อเพียงพอแล้วเยังมีบทที่สามสิข้อหนึ่งพระเจ้าประกาศว่าทุกคนจะต้องตายเพราะความผิดบาปของตนตรงบทที่6กข้อยี่บสามอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายพี่น้องครับบาป ก็กับ ต, ตายนะข้อที่สามก็คือลูกรรมที่สามข้อสาถห้าถ้ากั้นเองไม่กลับใจใหม่ก็ต้องยิ่งหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกลับใจจากความบาปเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เองนะครอาจารย์พอเห็นครับว่าถ้าฉันผู้เป็นคนบาปไม่ต้องตายทุกความบาปกันเองใครบางคนต้องตายแทนใครบางคนต้องให้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของตนแทนที่ฉันเป็นตัวแทนของฉัน substitution และเป็นเครื่องบูชาด้วยเลือก นี่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าถึงจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าพระบิดาไม่มีเครื่องถวายบูชาอื่นที่จะเป็นที่พอบรรทายของพระเจ้าแล้วไม่มีแล้วเพราะพระเจ้าตั้งกฎของโรงก็คือว่าถ้าคุณอยากจะรอดนะครับก็มีคนตายแทนต้องมีการหลั่งเลือดและเลือดนั้นไม่ใช่เลือดธรรมดาแต่ต้องเป็นพระโลหิตเป็น precious blood นะครับเด็ก precious b ก็คือพระโลหิต ท, ที่ทรงคุณค่า สูงมากก็คือผริขององค์พระเยสูคริสต์เองหัวข้อ8ครับปัญหาความบาปตรงนี้นะครับผมชอบนี้ปัญหาที่ร้ายแรงชาวประชาชนทั่วโลกคือโดยเพราะศาสนาที่มนุษย์ทํำขึ้นและหลักปัญญาคือเราไม่เข้าใจจริงหรือยอมรับความร้ายแรงของเชื้อโรคของความบาปฝ่ายวิญญาณปัญหาของมนุษย์นะครับและศาสนาต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มนุษย์ทํำขึ้นเนี่ยปัญหาของเขาคือว่าไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมรับความร้ายแรงเรื่องความบาปไม่รู้ว่าความบาปเนี่ยมันมีหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะแล้วก็มีความคิดว่าเออทาบาปทาบาปทาบาปก็เป็นไรทาํทบาทบุญแล้วก็เสริมลบกันไปไม่ใช่นะแต่คริสเตียนเนี่ยพระพีเนี่ยเน้นเรื่องความบาปนี่หนักหนามากการทาบาปเกิดจากการเริ่มไม่เชื่อฟังแล้ะมันหนักหนาสาหัสมากจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราจะต้องกลับมาจัดการกับปัญหาความบาปของเราเ มันเป็นความร้ายแรงของเชื้อโรคความบาปควาวิญญาณเหมือนกับที่พระเจ้าจะทรงเข้าวัดไทยหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับรังเกียจบาปมากเพราะพระองค์ทร ง, งบริสุทธิ์เมื่อพระองค์บริสุทธิ์แค่ความบาปนิดเดียวในโลกไม่พอวัดไทยแล้วแล้วท่าจ้างของความบาปคือความตายไม่ว่าคุณจะบาปเล็กบาปน้อยตา ย, ยานั้นเนี่ยคือกฎของพระเจ้าที่ได้ตั้งไว้นะฮะตรงเนี้ทําให้ชุดของทฤเฎียนเราเนี่ยต้องก็งงมุ่งหาความบริสุทธิ์ แล้วก็บาปเนี่ยต้องลดลงเรื่อยๆลดลงเร่ลดลงเรื่อยๆแต่ที่ว่าลงบาป ไ, ไม่ลดไม่ลดไม่ลดแล้วบอกว่านี่พระคุณพระคุณพระคุณไม่ใช่แล้วเราเข้าใจพระคุณผิดเหรอไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าในสายตาของพระเจ้าเนี่ยมาตรฐานของพระองค์เนี่ยคือบาปต้องตายความได้แรงของบาปที่อยู่ตรงนี้ครับบาปต้องตายข้าเจ้าความบาปความตายและถ้าท่านเองไม่กลับใจใหม่ก็ต้องพิ น, น้าเหมือนกันไม่ยืนสอนใครครับสอนพวกฟอริสีสอคนยิวนี่แหละคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นลูกอับเราครับแล้วคุณจะรอดนะ ไม่ใช่นะแต่คุณต้องกลับใจไหมท่านหมายเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูกําลังเน้นก็คือว่าคุณต้องพึ่งในพระโลหิตขององค์เยซูการสิ้นประชนของมนุษย์เนื่องมีความเชื่อมั่นในพระองค์ตรงเนี้ยทาให้เราจะได้ชิตนี้นะนะครับครับต่อไปครับในพระธรรมเยเรมี17ข้อ9นะครับเขียนว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวมเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดและมันเสื่อมซามอย่างร้ายทีเดียวเห็นไหมครับ ใน ย, นยอห์นที่8ข้อ34ถ้าอี34บรรทัดต่อมานะครับพระเยซูสอนความจริงว่าประชากรเป็นจนํานวนมากรวมถึงพืสเสียนหลายล้านคนดูเหมือนจะไม่ห น, นักหรือรู้โดยประสบการณ์พระเยซดว่าเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าทุกคนที่ทําบาปก็เป็นพี่น้องพูดดังๆทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาสของบาปอืตรงนี้พู้ว่าทุกคนที่ทําบาปสมองสมุติ เขาตกเป็นธาตบาปแล้ความบาปอะไรที่เราทําอย่างชว่างเสมอนะแม้ว่าจะเป็นทุกเสียแเราก็ตามนะเรายัางเป็นธาตของบาปอยู่บาปมันยังสามารถเข้ามามีเรียกว่าความเป็นเจ้าของเราอยู่เรายังไม่เป็นเจ้าเราไม่เป็นของพระเยซูอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะบางสิ่งบางด้านในชีวิตของเราเนี่ยยังตกอยู่ในมือของความบาปนะครับ และทันทีพระเยซู ส, สอนเราว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราอย่างแท้จริงพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทําให้ทั้งหลายเป็นไทยนั่นแหะเพราะว่าความจริงนะครับที่ถูกดําเนินชีวิตออกมาด้วยกันเชื่อฟังจะทํายาแม้เรานะ้พ้นจากความบาปได้เป็นไทยต่อความบาป ก, ก็คือถูกผูกมัดจากความบาปหรือเป็นท่าของความบาปครับหัวข้อที่เก้าครับอับราฮัมอิสอัคหลังจากที่ ใช้เลือดเป็นเครื่องถวายบูชาอีกสี่ร้อยปีนะครับอีกสี่ร้อยปีเกิดอะไรขึ้นครับในพระนามองพระเยซูนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าในในหน้าทีห้านะครับการถวายเครื่องบูชาด้วยโลหิตของอับราฮัมบนภูเขาโมริยาทําให้การเป็นในความตายและชีวิตใหม่ของอิสอักเป็นที่แน่ใจเช่นเดียวกับพร อ, อ, อยิ่งใหญ่อับราฮัมประชากรหลายร้อยล้านคนนับแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่เยซูเสด็จมาครั้งที่สองอันนี้ คืออนาคตใช่ไหมครับอนาคตของเรานะไม่ใช่อนาคตของพวกเขานะอนาคตของเรานะนั่นหมายความอะไรครับหมายความว่าตั้งแต่ที่อับราฮัมเนี่ยได้ทําการถวายบูชาตรง น, นั้นนะครับนะใช้คำ ว, ว่าถวายบูชาอิสตาก็แล้นะครับลูกแกะตรงนั้นนะครับทําให้การเป็นที่ความตายชีวิตใหม่เป็นที่แน่ใจและนั้นในสุดนะั้นเป็นพระพรต่อมาเรื่อยๆสําหรับผู้ที่มีความเชื่อแบบอับราฮัมมาถึงพระเยซูและมาอึงถึงเรา จนกระทั่งถึงพระเยซูเสด็จมาอีกครั้งเพราะฉะนลูกหลังลูกหลังของพราธรรมก็คือผู้เชื่อในพระเจ้าครนเสิตียนจึงเป็นลูกหลังธรารมทางความเชื่อพวกเราเป็นลูกหลังธรารมทางความเชื่อนะก็คือเป็นคนแหละเป็นคนเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นเชื้อชาติเชื้อสายยิวนะแต่เป็นประชากรของพระเจ้าแบบคนยิวเราไม่ได้เป็นยิวโดยเชื้อสายนะแต่เราเป็นเราเป็นประชากรของพระเจ้าแบบอัลกัล แบบคนอยู่ที่เคยเป็นในในสมัยท้องดีเดิมเอาละรครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของแกปัสคานะครับ the Passover Lamb นะครับแกปัสคานี่นะครับความสำเร็จผลของเครื่องบูชาด้วยโลหิตในการกระทําของการเชื่อฟังที่ศักดิ์สิทธิ์เค็งขึ้นและถวายเกียรติเจ้าของอับราฮัมทำให้อับราฮัมนั้นถูกเรียกว่าเป็นอะไรครับมิตรสหายของพระเจ้านะครับ เป็นเพื่อนของพระเจ้านะและท่านต้องเป็นบินยาห์อิสุเอลนะและประชาท่านทั้งหลายและประชากรที่พระเจ้าเลือกไว้ผ่านทาง The p พ s สโอเวอร์แลนด์พสโอเวอร์แลนด์คือแกะปัสกาที่เป็นลูกแกะตัวผู้อายุ1ปีปาจากกำ น, นังอยู่ในอพยพบทที่12อก็นะครับจะต้องถูกถาวายเป็นเครื่องบูชาโดยทุกๆครอบครัวในเวลาดูนที่จบเลือดของมันจะถูกประคบที่กรอบประตู ภายนอกของชาวอิสราเอลทุกบ้านและร่างกายมันจะถูกนําไปทําอาหารและกินเนื้อแกะโดยเร็วและหลั ง, างออจากนั้นพวกเขาก็อบพยพออกจากที่นี่ครับนี่คือพักโอเวอร์แลนด์ในวันที่สิบห้าของเดือนนี้สามก็คือวันปัสกานะครับและพระเยซูเนี่ยเลือกที่จะตั้งพิธีมหาสนิทซึ่งพระเยซูยกขึ้นมาบอกว่าครับโดยโลหิตของเรานี่คือพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเจ้าทํากับใครครับ ทำกับโมเสนะฮะอนเดิมเนี่ยโย่มเสปัให ม, ม่พระเจ้าทกับพระเยซูโยรของเราเมื่อท่านหลายดื่มจากวนี่ใดนี่คือพันธสัญญาใหม่โยรของเราถ้าท่านหลายดื่มยาดวอไรท่นราทนดื่มเป็นที่พิชเราจุกเดือ น, นี่คือแกะปัสคาปัสคาครั้งแรกนะครับเขา้ออาคทาที่ประตูใช่มเขาต้องฆ่าแกะเอาเลือดทาปัสกาครั้งที่สองมีอยู่บ น, นไม้ดังเขน แนวะพะระฤของพระเยซูหลังไรออกทํำไรไหมนะเกิดการผ่านเว้นครั้งแรกเกิดการพัสด์โอเวเรอร์ผ่านเว้นครั้งที่2เกิดการพัสด์โอเวอร์ผ่านเว้นกันคือผ่านเว้นใครครับเราไม่ต้องตายนะครับความตายเนี่ยผ่านเว้นเราไปแล้วพัสด์โอเวอร์ไปแล้วเนี่ยครับคือความหมายตรงนี้นะครับว่าพระเยซูเป็นเพราะไม่สมเด็จของพระเจ้าพระเยซูเป็นแกะปัสกาของพระเจ้านะครับหัวข้อที่10ครับ ทำไมเลือดของแกต้องปรับผมที่ก่อประตูคําตอบมีสาประการหนึ่งทูตแห่งความตายเยี่ยมอียิปต์ในการลงโทษคือนั้นสิ่งสําคัญที่บันทึกไว้นะครับก็คือเมื่อเราเห็นเลือดเราจะผ่านเป็นทูตเจ้าไปนี่พระเจ้าบอกพูดอย่างนี้เมื่อทูตของพระเจ้าเห็นเลือดนะครับทูตแห่งความมรณาเห็นเลือดนี่เราจะผ่านเป็นเจ้าไปเลือดอะไรนครับนะอันที่สองครับคนเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ภายใต้เลือดของลูกแก ด้านการคุ้มครองผ่อนภัยจากการลงโทวแรงของพระเจ้าอันที่3ประช า, ากร อ, อิสราเอลต้องเรียนรู้เข้าใจถึงพิณภาพการจากการเป็นท่าหรือความบาปและรางวัลของมันรางวัลของแก่เนี่ยนะครับที่เป็นความตายการแยกจากพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราที่พระกรุณาทรงพระกรุณาได้บริสุทธิ์ช่วยเหลือและเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูของค์ผู้เป็นเจ้านะโดยเพียงการได้รับโลหิต ที่เป็นเครื่องถวายบูชาความตายของตัวแทนที่บริสุทธิ์นะเดอะฮอลี่ซ t i สติชันก็คือว่าการตายแทนโดยผู้ที่บริสุทธิ์เป็นเหตุที่จะให้เกิดการยกบาปและการผ่านเป้นนะครับและผู้นั้นคือพระบุตรสุดที่รากของพระเจ้าเองคำถามที่2ครับการเค้นและเครื่องถวายบูชาด้วยเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่ง ของความคิดและแผนการของเจ้าเมื่อใดนี่คือคําถามคําตอบคืออะครับตั้งแต่นิรันดรการพระเจ้าวางมาแล้วนะครับก่อนการทรงสร้างอักครุเ ป, ปาโลเขียนไหมครับบอกว่าพวกท่านรู้ว่าได้รับการไถ่ไม่ใช่สิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยโลหิตล้ําค่าของพระคิดดังเลือดลูกแกะที่ไร้ดาดิบและไร้จุดด่างพร้อยพระคิดทรงถูกกาหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกเห็นไหมครับ พระคิดถูกกาหนดไว้ก่อนทสร้างโลกหมายความว่าการชิ้นพันชนการตายแทนและการเสียโลหิตนะครับนี่ยการต้องหลังโลหิตของพระองค์ถูกวางไว้กําหนดไว้ก่อนสร้างโล ก, า ก, านนก แ, แลก้ลนนลล ว, ว, วลแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวราระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านอันนี้คือสิเมื่อถึงวราระสุดท้ายพระเยซูมาใช่ไหมครับมาตายแทนตรงนี้ครับเกิดความรอดที่แ ท, ท้จริงเกิดขึ้นพี่น้องนะตรงนี้นะทําให้เรารู้ว่าอะไรครับ พระเจ้าเนี่ยกลับไปถึงตอนต้นเลยครับพระเจ้ามีแผนการที่ที่ที่เรียบร้อยนะครับไม่มีที่ติดสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยไม่ว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่จะตกงานจะนู่นนีน่นี่นั่นนะครับยังไงก็แล้วแต่พระเจ้ามีแผนการจะขอเพียงว่าเราเชื่อฟั ง, งพระองค์พอเราเชื่อฟังพระ อ, องค์นะ ทุกอย่างจะกลับคืนดีกับพืนดีกับพืนดี ก, บดกับสู่สภาพดีกับสู่สภาพดีเพราะฉนั้นบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะี่ยพระกําลังทดสอบเราหรือพ้องการตีสอนเราครับอย่าใช้แค่ว่าลงโทษนะเพราะว่ า, าพระบิดบอกว่าเหตุเชนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์โลบที่แปดขอ้อหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการลงโทษผมเนี่ยเป็นมะเร็งมาสองรอบจะบอกว่พระเจ้าลงโทษผมเหรอ ไม่ใช่หรอกพระเจ้าตีสอนมากกว่าพระเจ้าทดสอบมากกว่าครับเนี่ยทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นทําให้เราวางใจพระองค์มากขึ้นทําให้เราถวายชิดมากขึ้นหนึ่งคือเข้าใจเข้าถึงเข้าถึงสัจธรรมสองคืออะไรครับทราบซึ้งสามคือปรนนาตัวยอมจำนวนปลุกพันตัวเองนะครับสามอย่างเนี้ยนะครับครับเราดูในหน้าที่หกครับหูมีมาไม่ถึงครึ่งอยู่นะ น่าโหครับบรรทัดสามนะครับป้าขอโทษตั้งอย่บรรทัดหนเลยนะครับตรงกลางครับดังนั้นการตัดสินบรรทยและแผนการต่างๆและพระประสงค์ของพระองค์ล้วนเป็นเลยครับนิรันดรการทั้งชีว์โอ้โหอ่านอย่างนี้แล้วนะี่นะเรามีความอะไรครับ <c oughs> บางครั้งนี่เราเราคิดสั้นๆเนาะแต่พระเจ้าที่คิดยาวนะ <c oughs> บรรทัดสามครับความคิดของพระองค์ทาง และแผนการทั้งหลายสูงกว่ายิ่งใหญ่กว่าพวกเราผู้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเราเป็นผู้ถูกสร้างนะเนะีเพราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่สิบข้อหนึ่งนะฮะแผนงานและองค์ความคิดเป็นของมนุษย์แต่คตําตอบหรือความสําเร็จนั้นอยู่ที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นแผนของเราเนี่ยนะครับอยู่แค่แผนพระเจ้าอยู่แคเพรา ะ, ะนั้นคุณอยู่วางแผนอะไรก็แล้วแต่นะไอนะ้คนจีนนี่บอกว่าพระเจ้าชี้ทีเดียวอ่ะคุณก็จะขึ้นหรือจะลงเน่ยนัเอง พ้ะเจ้าชี้ทีเดียวมันขึ้นจะตรงเพิ่อีกเพราะฉะั้นคุณวางแผนไม่เถอะวางแผนไม่เถอะวางแผนไม่เถอะนะเพราะะนั้ปล่อยคุณวางแผนม่เถอะแต่ถึงเวลาเจ้าชี้เดี่ยวชี้คุณวางไงก็สู่พระเจ้าชี้ไม่ได้คนจีนกูอย่างนี้นะครับคิดเสียนจีนคุณยากวางไงก็แล้วแต่สู่พระเจ้าชี้ทีเดียวไม่ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอย่าวางมากให้วางใจให้วางใจมอบแผนการคุณคิดได้มันคิดได้ บางคนคิดได้แค่นี้บางคนคิดได้แค่นี้บางคนคิดได้แค่นี้บา ง, คคด ไ, ดบางไม่รู้นะครับสมองเรามีจํากัดเราไม่เหมือนกันแต่ขอให้วางใจนะครับวางแผนได้นะครับวางแผนได้แต่แต่อย่าขาดการก่อนใจให้วางใจท่องไว้ก่อนนะครับเอาละรครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ข้อที่สชีวิตใหม่และอิสรภาพสำหรับประชาชนอิสราเอล แผนการของพระเจ้าโดยโลหิตเป็นเครื่องบูชานะครับอันที่2คือของประทานมาัศจารย์ของชีวิตที่ันก็พร้องสําหรับเราสําหรับใครครับสําหรับผู้ที่จานึกผิดและเชื่อในพระโลหิตประเสริฐและโดยพระโลหิตประเสริฐ น, นั่นเองนะครับเป็นของไทยเป็นพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพียงองค์เดียวของพระเจ้าตรงนี้นะครับอาจารย์พอกําือกว่าว่าย่งไ ร, รบอกว่ า, นะวาแผนการย่ามีหพระโลหิตสของประทาน พระโลหิตของพระเยซูนะครับกลายเป็นของมทานของพวกเราพระโลหิตของพระเยซูกลายเป็นของมทานของพวกเราและของมทานนั้นคือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูย้อหน้าต่อไปนะครับอาจารย์อาจารย์พอเนี่ยเขียนให้กับพวกเราข้าพเจ้าขอกระตุ้นเตือนพวกเราที่นับตัวเองว่าเป็นสาวกแท้ของพระเยซูที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ที่จะดำเนินชีวิตของเราในวิถีทางที่แสดงออกของการขอบคุณพระเจ้าอย่างจริงใจและรักใคร่ของเราเท่าเท่ากับการถวายตัวแด่พระเจ้าพระวิดาพระบุตรพระวิญญาณริสุดว่าในฐานะสาวกของพระเยซูเราดำเนินชีวิตอย่างพระองค์ด้วยการเชื่อฟังนามัดยที่รันและบริสุทธิ์ของพระวิญญาณของพระองค์แม้ถึงความตาย อืมไปแหลมนาวนครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอาจารย์พอลเนี่ยเขียนี่นี้เนี่ยบอกว่าขอเตือนขอเตือนว่างงครับว่าขอดำเนินชีวิตให้มีการแสดงออกด้วยการขอบคุณพระเจ้าอย่างจริงใจและความรักของเราที่มีต่อพระองค์เท่าเท่ากับการถวายตัว เร่องสคครับว่าพอผมอ่านตรงนี้นะผมก็นั่งนึกดูว่าอาจารย์พอจะเขียนภาษาคิดยังไงก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากดำเนินชีวิตนะด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเยซูให้กับเรานะนั่นคือการการอะไรครับมีคนรู้แต่ไม่อยากาพูดนั่นคือการถว า, ายตัวซึ่งมันตรงกับโรมาที่สิบสองข้อหนึ่งใช่ไหมครับ ถวายตัวเขาเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์นั่นเป็นการนมัส ก, การพระเจ้าโดยวิญญาณจิตของเราทั้งหลายพี่น้องเห็นความเชื่อมโยงไหมถ้าเราบอกว่าเราจะขอบพระคุณนะการขอบพระคุณของเราเนี่ยจะถึงจุดสุดยอดสมบูรณ์แบบคือการถวายตัวพี่น้องเรื่องนี้มันไม่ เ, เรื่องธรรมดาปกตินะแล้วเราจะนั่งอธิบายกับคนเชื่อใหม่นี่นะอธิบายยากเพราะอะไรเขายังไม่เข้าใจเรื่องพระโลหิตเนี่ยาะฉะนั้นเนี่ย เราบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อนะคุณต้องถวายตัวเขาจะรู้ได้ไงถวายตัวแปลว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้ไม่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงสัาธรรมเบอร์หนึ่งเลยสนาธรรมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่านี่คือความสําคัญของการเรียนก่อนที่จะรับสินอืมเพราะอะไรถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องความบาปเรื่องของความตายเรื่องของการในสุดแล้วต้องมาถวายตัวเขาก็งงหมดอะไรวะที่จะเตียนเรื่องมีถวายตัวด้วยถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยนะ S <S <S ไม่ใช่ครับถวายตัวเป็นเครื่องบูชาในกนารรักษาพระเจ้าขอบคุณพระองคง์ต่อไปนี้พระเจ้าตัดสินใจ ย, ยี่นติดตามพระองค์ตลอดไปนั่นแหละคือการถวายตัวให้พระเจ้ามาเป็นที่ดึงเป็นเจ้านายเหนือชีวิตเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าหนเาอเรานั่นคืกนอการถวายตัวเันกว่าจะเข้าใจเรื่องเนี้นานไหครับนานเนาะแล้วต้องสอนไหมครับสอนะ<อ>ไม่ใช่ใครยกมือกรุ๊ปเนี่ยเอ้ารับบัพติศมาเลยต่อไปนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณมั่นใจอย่างเดียวเลย ความเชื่อของเขาเนี่ยมันไปไม่ถึงความจริงมันเป็นความเชื่อที่จากการพูดๆๆๆๆๆๆๆๆๆองๆีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆั่ๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ ทีสามครับโลหิทแห่งพันธสัญญาเรื่องนี้สำคัญมากหลังจากที่อิสราเอลออกจากอียิปต์ไปสองเดือนเขามาถึงภูเขาซีนัยในถิ่นทุกกันดารถ้าวบัญญัติของพระเจ้ากลายเป็นรากฐานพันธสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าในโอฮีโอเซตเมนต์เนี่ยพันธ์ญาเนี่ยมาจากใครครับโมเสสและเมื่อขึ้นเขานะนะแล้วก็รับพัญญาจากพระเจ้านะโมเสสก็ประกาพันธญาของเจ้ากับใครกับอิสราเอลจากกอของพระเจ้า ในุคบทที่เก้าพัเจ็ดเราเียนว่าไม่ปักจากเลือดเลือด่เป็นเครื่องไถ่บูชาไม่ปัจจากเลือดไม่ได้นะและเลือดที่เป็นเครื่องไถ่บนะูชานะั้นเป็นส่วนสําคัญนะครับของพันธสัญญาใหม่ด้วยเหมือนกันบนพื้นฐานของโลหิตที่เป็นเคพื่อนบูชาของพระเยซูเองนะครับนะก็มาให้หลังนะพี่น้องดูต่อนะต่อภายหลังเมื่อพันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอลถูกสถาปนาขึ้นเนวันยุคบทที่ยี่สิบ น, นะ เป็นความจําเป็นสําหรับโลหิตที่เป็นเครื่องถวายบูชาถูกประพรมบนแท่นถวายบูชาเป็นที่แรกแล้วก็ถูกประพรมบนหนังสือแห่งพันธยาที่เป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับและเลือดจะถูกประพรมประชาชนขณะที่โมเสสประกาศ น, นี่เป็นโลหิตแห่งพันธญาซึ่งพยาเว์ทรงทางพวกท่านตาโมโภชนานี้ประพรมคืออะไรครับพี่น้องไม่รู้ประพรมคือไงผมยกตัวอย่างเราอยู่เมืองไทยเนี่ย เราเคยโยนอย่างงี้ไหมเวลา <c ười> เคยโยนเนี่ยครับนะมันเป็นเม็ดเม็ดบางคนไปเช็ดเช็ดไปต้องมันเป็นน้ำนไ ง, ไงเขาเขาเอายงไเขาเรียกอะไรนะอ่าปาดอย่างเงี้ยสะบัดอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือการปรากรมที่เราไม่เปนเพาผมไม่รู้วมันมีมันมีมนมรากเหง้ามาอย่างไงนะแต่ตั้งแต่สมัยขอโมเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ให้ปรากรมทุกอย่างจะบริสุทธิ์ได้ถ้าเจอเลือด เป็นประพรมประพมที่แท่นบูชาประพรมที่ตรงนี้ประพรมนี้แล้วก็ในสุดประชาชนต้องรับการประพรมด้วยเลือดนี่เห็นมากเลยสําคัญมากนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์พอลเขียนอย่างนี้นะ บ, บอกว่าโลหิตที่เป็นเครื่องถวายบูชาเท่านั้นที่เป็นไปได้สําหรับพระเยวาวะพระเจ้าองค์พระเวทเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงที่ทำพุภาคผู้สูงสุดแห่งจักรวาลและประชาชนถูกนํามาสู่สามัคคีธรรมและความสัมพันธ์ ของพันธุ์ยาที่แท้จริงได้ยัเห็นไหมครับรอย่างสุดท้ายนะครับคืออะไรครับความสัมพันธ์เกิดจากเลือดเราเห็นนะครับพ่อกับแม่ออกลูกขึ้นมาก็เรียกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากเลือดที่ที่ถูกปรัคปรงตรงนี้นะถูกปรับงมีความหมายว่าอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้การปรัปรุงปกคุมของโลหิต H ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาเราลอดเนี่ยเราอยู่อะไรครับอยู่ภายใต้โลหิตของพระเยซูเราเคยได้ยินอาจารย์ใช่ไหมครับบอกว่าพระเจ้าสวมแว่นเว่นกันแดดแต่สีแดงนี่แดงคือเลือดเนี่ยนะพระเจ้ามองมาเนี่ยหูนี่บริสุทธิ์หมดเลยเพราะผ่านเลือดผ่านไอ้แว่นกันแดดสีแดงนี่คือเลือดนะท่านหมายความว่าพระเจ้ามองดูผ่านโลหิตของพระเยซูทุกอย่างก็บริสุทธิ์หมด ถ้าไม่มีโลหิตนะครับไม่มีทางนะครับเอาละครับหน้าเหตครับข้อสิบสี่ขอให้สังเกตคำว่าโลหิตที่เป็นเครื่องถวายบูชาพี่น้องสังเกตนะครับยังพอที่เรียงมาเลยนะบนภูเขามุริยาย2ิบสองจำได้กัมพี่น้องกีนนี้นะในอียิปต์ปจนได้รับความปลอดภัยโดยเลือด ก, ก็คือนะรครับพาสโอเวอร์แลมนะครับ ทั้งสองกรณีประชาชนได้รับการช่วยกู้โดยไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ที่ภูเขาซีนเลือดที่เป็นเครื่องบูชานะครับกลับกลายเป็นถูกประพรมอยู่ทุกคนทุกคนทุกคนกอันนี้คืออะไรครับแต่ละคนเนี่ยได้รับหยดสองหยดอยู่บนหัวนี่แหละนั่นคือความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้น personal personal นะครับเกิดขึ้นทุกคนต้องผ่านการประพม นี่คือพันธะญาเกิดขึ้นโลกิที่มี็เครื่องถวายบูชานะครับพวกเขาเนี่ยถูกปรับผมขณะที่พวกเขายืนอยู่จำเพาะวัาของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ข้อสิบห้าครับยิ่งกว่านั้นอีกทันทีที่พันธสัญญาระหว่างพระเจ้าได้ชนอิสราเอลได้ประการสาปนาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทางภาพทรงบัญชาโมเสสให้พวกเขาสร้างไหมครับสร้างพับคลาเตรียม น, น้ำมการเราเพื่อเราจะอยู่ข้างศาของคำว่าพับคลาคืออะไรครับ พักผลาที่ประทับคื อ, อพระเจ้าอยู่ขเขาย่าวยู่กับพวกเราไม่ใช่คำว่าอะไรครับอิมมาออเจ้าอยูเ่เขาพักผลาที่มีความหมายนี้นะครับพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้าการสร้างเป็นนัดพบนะครับเพื่อว่าพระองค์จะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านดินรกันดานไปสู่ดิแดงพัะนิยายสวยเดย พี่น้องตรงนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหครับคือเป็นภาพที่อยู่ในฟันดาษเดิมเนี่ยที่เด้งถึงชีวิตของพวกเราเราเดินอยู่ในโลกนี้นะครับโลกเนี่ยงเปลี่ยบเส ม, มือนกับถิ่นธุรกันดาเนะีเราจะต้องมีพักพลาก็คือที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พ, พักพลาที่เป็นที่ประทับของพ ร, พระวิญญาณของเจ้าเพราะนั้นขณะที่เรามีชีวิตเดินอยูอย่ถิ่นธุรกันดาเนี่ยเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางแบบมีพระชนกขององค์ รตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับพี่น้องกลับไปอ่านนะครับตรงนี้จะเห็นว่าอาจารย์พอเนี่ยท่านเปรียบเทียบนะครับในเรื่องที่ว่าพันธสัญญาเดิมหินธุรกันดาลพับพลากับชีวิตคริสเตียนนะครับเราเดินอยู่ในโลกนี้แล้วก็เข้วิญญาณบนสุดเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะนั่นเห็นเราจะเห็นนะครับว่านี่คือพรอประสงค์ของพระเจ้านะครับในปลายหน้าที่เจ็ด ในปลายหน้าที่เจ็ดอ๋อแผ่นดินพันธสัญญาเป็นในใจของชาวยิวคืออะไรกับพวกเราครับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพวกยิวนะนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราเนะี่คืออะไรเนะีะพวกเขาเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยเขาจะเข้าสู่แผ่นดินอีกพันธสัญญาพวกเราเนี่ยเดินไปลยุยไปเในที่สุดแล้วะที่ที่พระเจ้าสัญญาไว้คืออะไรครับอันนนะบ้านนิรันยอย้อนมที่สิบสี่ เทศงานศพได้ไหมครับเราเนี่ยไปเพื่อที่จะจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลายนั่นแหละครับคือแผ่นดินแห่งพันธัญญาคือแผ่นดินสว่างบ้านนี่แหละเราเดินอยู่ในโลกนี้นะบางทีก็ลุ่มด อ, ดอนลําบากเหน็ดเหนื่อยนะบางคนก็อาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยบางคนอาจจะเหนื่อยมากหน่อยบางคนก็เจอการทดลองเยอะบางคนเจอการทดลองน้อยแต่คนที่เจอการทดลองเยอะนี่นะลําบากเยอะแล้ัความเห็ดเทาเยอะ ความเด็กเขาเยอะเนี่บ้านก็หลังใหญ่วิถของเขาบริสุทธิ์นะบ้านเขหลังใหญ่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยคือสิ่งที่บอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าเตรียมที่ไว้สําหรับเราทั้งหลายและความเด็จของเรานี่ไม่เท่ากันนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหครับถ้าเชื่อนะความเน็จของเราเนี่ยไม่เท่ากันความเด็กของผมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าขอนนงอาจารย์บริสุทก็ได้ไม่รู้นะครับ แต่พอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าของคุณเนี่ยบ้านพ้อมที่ดินเท่านี้เท่านี้เท่านี้บนสวรรค์ผมไม่รู้มีสนามหญ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ทองแต่ว่าพื้นทําด้วย ท, งทงนองคาถนนทําด้วยเพชรไม่รู้เพราะเพชรกับทองคาไม่มีค่าเื่าเหมือนกันเรายังมาตอยมาลาดพื้นอย่างนี้เอาไปเชื่ออะไรก็ไม่ได้ใช่ไหะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่านี่คือสวรรค์สวรรค์คือบ้านของ จำได้นะครว่าตอนที่อยู่ในอสัมชัญเวลาเข้าไปอยู่ในออร์เดนจอเอียมก็คือเหมือนกับเข้าวิหารที่เป็นห้องประชุมใหญ่เพราะว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคําครูคําพระเจ้าเฝ้าประหยัดจะอุ ด, ดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมถ้า่างเด็กๆเลยนะไปท่องอยู่บนออร์เดนรีเอียนเลยนะแล้วเขาเขามีเขียนไงอย่างเงี้ยแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืม แต่จะจกอุดมสมบัติปัจจุบนันด้วยนะจะ ต, ต้องตื่นนะต้องตื่นเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้าเข้าไปอย่ันเนี่ยพวกเด็กอัดซ้ำเนี่ยนะจะไปรู้ดีกว่าเด็กปีสีแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยท่องอย่างเนี้ยท่องอย่างเนี้ทออยท่องทุกวันเลยนะการทุกวันเรารู้เนี่ยแล้วก็เออแล้ปลูกฝังเข้ามาปลูกฝังเอาครับข้อที่หกครับ รายละเอียดที่สําคัญประการหนึ่งเต้นใหญ่นี้ไม่ถาวรนะครับเต้นของพวกอิสระเองไม่ถาวรมันเป็นไงครับเวลาจะเคลื่อนนะพระเจ้าเคลื่อนพวกนี้ก็เคยเห็นไ้มครับต้องตึงหมุดหมุดปักเต้นนะเพราะว่าเต้นนี่มันจะตั้งอยู่ได้มันต้องมีเสาขึงเต้นใช่ไหมต้องมีหมุดปกักใช่ไหมใครที่ไปใครที่ไปออกออกหน่วยพัฒนาพวกนี้เราเคยเราเคยขึงเต้นมาก่อนเราจะรู้ต้องมีหมุดปกักเต้นต้องมี มีหลักเต้นใช่ไหมหลักเต้นตอตตอกกเข้าไปดึงเนี่ยพวกเขาก็เหมือนกันแต่เต้นของของเต้นนัดพบเนี่ยเขาใหญ่นะครับข้างในเนี่ยมีมีแท่นบูชามีอะไรต่างเนี่ยนะเขาเวลาที่พระเจ้าเคลื่อนนะพวกเขาต้องรีบดึงหมุดเต้นเก็บพับเต้นบึ๊ปๆนะผิดพันธะยาเู๊ปเคลื่อนพระเจ้ากับเพื่อนไปเพื่อนไปถึงเวลาพระเจ้าหยุดปั๊บเนี่ยพวกเขาก็กางเต้นแบบนี้นี่คือการไม่ถาวดนะอาจารย์พอบอกว่านี่คือการไม่ถาวร เพราะฉะนั้นเต็นนพภจะต้องถูกรื้อถอนและไปตั้งใหม่อีกนะครับในหน้าที่8ครับนี่เป็นคําภาพจํากัดของร่างกายของพระเยซูนะครับอาคารพระเยร่างกายของพระเยซูคริสต์เนี่ยเปลี่ยนชื่อเหมือนกับอาคารหลังหนึ่งจะต้องมีหลายชิ้นส่วนและผู้เชื่อเป็นอวัยวะในร่างกายแห่งความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณน้ัสการสาวกที่ทำรับใช้นะถ้าอ่านบทต่างๆที่เอ่ยข้างต้นและบทอื่นๆเรามีแน่ใจว่า เลือดของเครื่องบูชาอยู่ที่ใจกลางกิจกรรมและเป็นเหตุผลสำคัญที่สองว่าทำไมพระเจ้าจงมันชใช้สั้นเต้นนัดเพื่อให้เป็นที่ำนักของพระองค์ท่ามกลางควา ม, วามรของพระองค์พี่น้องรู้ไหมอะไรเป็นศูนย์กลางของเต้นนัดพอะไรเป็นศูนย์กลางของเต้นนัดพแท่นบูชาอันนี้ผมจะจบตรงนี้นะครับที่ผมขอผูอ้ปกครองครยาย ย้ายขาดศีลเนี่ยขึ้นมาอยู่วันแท่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ท่านจะอ่านต่อไปตรงนี้นะครับย่อหน้าต่อมานี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาหน้าลานภายนอกสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือแท่นบูชาของเครื่องบูชาแทนไม้กำ น, นะครับเราเห็นเครื่องเรือนสามชิ้นนะแท่นบูชาของเครื่องหอมทําด้วยถ้วยทอง แทนสถานที่อธิษฐานแล้วก็วัชนะครับรเขาไม่ได้วางให้โต๊ะวางขนมปังแทนการสถิตยอยู่แทนพระชนมศักศิษ์ของพระเจ้าและพระกายของพระคริสต์นะครับอันที่สามคันปะทีแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาใหม่ น, นะครับ 1. แท่บูชานะครับแทนไม้กันเขยนแทนสถานที่อธิษฐาน สอง โ, โต๊ะโต๊ะนี่คือโต๊ะะแท่นวางขนมปังแทนการสถิตยอยู่แทนพระวชนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและพระกายของพระองค์และสาคันบันทีแทนแทนทำบันทีเจดอันนะทำด้วยทอง7็อันเนี่ยแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทั้งเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแท่นบูชาเนี่ยพี่น้องรู้ไครับว่าบนธรรมธาตุเนี่ยนะพอเราเห็นไม้ เ, เข็นป๊อกเนี่ยนะครับไม้เข็นป๊เนี่ย เราเห็นใครครับนอกจากเราเห็นพระเยซูแล้ว เ, เห็นใครอีกเราเห็นการตายแทนเราเห็นการถวายบูชาจะเป็นแท่นบูชาพระแท่นที่วางพระกรมภีร์ที่วางเทียนที่วางโต๊าอหาศรีบีเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นโต๊ะวางขงนมปังเปรียบเทียบกับพระวิหารของคนยิวคือโต๊ะวางขงนมปังขนมปังหมายถึงไถ่ ขมนมปังเค้าขนมปังหมายถึงใครพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไหครับพระเยซูเนี่ยหักขนมปังบอกว่านี่คือพระกายของเราหมายถึงพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริบอก I am the bread of life นะครับพระเยซูไม่ได้บอกครับเราเป็นเข้าเหนียวนะเราเป็นนี่เราเป็นขนมปังงชีวิตเราเป็นอาหารแห่งชีวิต bread of life เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วางขนมปังเนี่ยคือตัวแทนของพระเยซูแล้วโลหิตเนี่ย เวลารลับประทานดื่มจากจอกเนี่นะครับคือตัวแทนเป็นชนะของโลหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาขอโทษนะครับเราเอาศีลเนี่ยวางอยู่กลางการเข้าใจยังครับเราก็เอาศีลวางขึ้นบนบ น, นี่นี่คือพระแทน่นและที่เราเลียงขาดอยู่นะครับคือขันพระที่ขันพระที่นี่นะครับก็คือการทรงสถิตของพระบิญญณฑาตบริสุทธ ถ้าจะเป็นแบบ full high full full scale high church เนี่ยจะต้องมีมีมีมีคันปะที่ก็คือเทียนเนี่ยเป็นแผงเจ็ดันเป็นที่เป็นที่เรีว่าของพระวิญญาณหรืเป็นตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทเนี่ยครับคือ3มอย่างนี้นะครับก็ถอดแบบนะครับของวิสุทธิสถานนะครับถอดแบบของวิสุทธิสถานที่เรียกว่าพอย้อนห้ากลับไปนะครับ เลยมานที่ลิมสุดของวิสุทธิฐานก็คืออภิสุทธิ ส, สารบริ ส, สุทธิ์ของบริ ส, สุทธิ์ทั้งหลายใน่โพลี่อัฟโพลี่นะครับเป็นห้องชั้นในที่เล็กกว่าที่ซึ่งการสถิตของพระเจ้าใช้สัญลักษณ์ของขีปพันธสัญญาที่นี่เป็นเพียงมหาบุริษเท่านั้นที่จะเข้ามาได้เพื่อการกระทําพิธีมรสการเป็นพิเศษปีละหนึ่งครั้งในวันแห่งการลบปากและไม่ปาศฉะจากเลือกไม่ได้นะครับหรือต้องมีเลือกเสมอไม่มีเลือกไม่ได้ ก็ไม่เลื่เสมอได้เห็นไหมครับว่าตรงนั้นแหละครับที่พระกัมพีบรูเนี่ยถ้าพี่น้องฟังฮีบรูหกสิเอ็ดรอหกสิเอ็ดครั้งนะที่ผมทําว่าชีวิตกระเยซูใช่ไหมครับนะแล้วก็ชีวิตกระเยซูในพระธรรมีบูหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดครั้งนะครับเนะชื่อแล้วแล้วเนี่ยหกร้อยสิบนาทีหกร้อยสิบนาทีนี่หลายชั่วโมงนยพี่น้องลองกลับไปฟังดูนะถ้าใครใครใครใครใค ร, ใครลงร้ายไว้นะไปฟังดู พระเยซูเนี่ยเป็นพระนนพระเมสสโภดกและในขณะเดีวยวกันพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตและในขณะเดียวกันพระเยซูเป็นเครื่องบูชานะคือเมื่อพระองค์ขึ้นบนแมงเขตพวกเนี้ยองค์เป็นเครื่องบูชาไทยบาพระองค์เป็นมหาปุโรหิ ท, ที่นําตัวเองออกเข้าไปและพระองค์เป็นพระเมสสโภดของพระเจ้าที่จะต้องตายทับซีฟิวชัน่น เห็นไหครับนี่เลยครับเนี่คือเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้นะครับเราจะกว้าต่อนะครับมันไม่เยอะแล้วไม่วันนี้เราก็พอสมควร น, น, นะนะอีกสองคำหน้าก็หมดแล้วครับผมอยากจะให้พี่น้องลองกลับไปอ่านดูแล้วกลับไปอ่านดูนะครับทบทวนดูแล้วอธิษฐานพระเจ้าว่าขธิษฐานแค ว, ว่าองค์ยังไงพระองค์ทํากับข้าพระองค์มากมายขน า, าดนี้นะครับมากไมยขน า, าดนี้แล้วพระ อ, องค์ ต้องการอะไรจากพระองค์พระองค์จะถวายอะไรกับพระองคได้ที่จะให้สมน้ําสมเนื้อให้สมกับที่พระองค์ทำกับพระองค์นะครับพี่น้องไปอธิษฐานด้วยความจริงใจผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตัดกับพี่น้องเพราะว่าถ้าเราอยู่ภายใต้าการประคบนของพระอลหินแล้วนะทุกอย่างบริสุทธิ์เมื่อเราสารภาพบาปทุกอย่างบริสุทธิ์เมื่อเรากลับใจทุกอย่างบริสุทธิ์ เมื่อเรายอมอยู่ภายใต้อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่เราติดต่อพระเจ้าได้พระเจ้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้แต่ถ้าพระองค์เป็นงั้นจริงเนี่ยนะตามที่พระคดีเขียนแนละ้วองค์ก็ต้องบอกเราสิองค์มไม่บอกเราก็คงจะ ไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ถูกหครับนะ <c oughs> ผมอยากให้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องกลับไปนะั่งอธิษฐานนั่งในรถก็ได้น่ะอธิษฐานนะ กลับไปอ่ะสองสอบพี่น้องสองคนกลับไปเวลาขับรถไปสองคนนะอนธิการคุยกันพ ร, พระลูกศิษย์พระเยซูพระเยซูสำคัญทำอะไรกับชีวิตของเรา<อ>เพื่อวันนี้รู้ขนาดนี้แล้วลโอ้จะต้องการอะไรจากชีวิตของท่านคนใก่มาคู่กันนะขับรถกลับบ้านก็คุยกันนะตูเนะี่ยบางคนบางท่านขับรถคนเดียวก็เหมือนกันก็คุยกับพระเจ้าบอกว่าโอ้เจ้าข้า พงศ์ปรัชนาจะเอาอะไรชื่อของข้าพูงอยากให้พงศปรัชนาสิ่งใดจะชื่อของข้าพูงและข้าพูงจะทำอะไรให้สมกับที่พูงทำให้ข้ า, ขาพูงบานะโอเคครับก็การพงครับยื่นยื่นยืนไหมให้คุณแม่หน่อยครับขอเชิญอาจารย์รัรลูกอธิษฐานนะครับ